ขมาปิโตสะเทวาคังคัจฉาโนสิวังรัมมังคตธรรมังนามิหังวานานิขมิโยตันหาวาจังภาสติอุตตมังวานานิภาปนัธายะวายมันตังนามิหัง อนาสาสกสัสตาหนังอาตสาสังเทติโยชิโนอนันตาคุณสัมปันโนอันตะคามิงนมามิหังรโตนิพ b p a สัปันเตรโตโยสัตเตโมจเนรัมาเปติทัสเตโย ระนาจตังนามิหังหันญติปาปเกดามีหังสาเปติปรังชนางหังสมานังมหาวิรังหันตาปาปังนามิหังสังคตาสังคเตธรมมะสมเดชสิปานินาง สังสารังสังวิคาเตติสัมพุทตันธรรมนามิหังมาตาวปาริโตสเตมาณทาเถปมาทิโตมา น, านิโตเดวสังเคหิมาณคาตัางนา ม, ามิหังพระสัตทธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้ว ทรงยังมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้บรรลุด้วยทรงบรรลุถึงพระนิพพานอันควรยินดีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีธรรมอันบรรลุแล้วพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงออกจากวานาะเครื่องร้อยรัดคือตัณหาได้แล้วทรงกล่าวพระวาจาอันเลิศไว้เพื่อประโยชน์แก่การดับไฟคือตัณหา ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวพระชิฐเจ้าพระองค์ใดโปรดประทานความอุ่นใจแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีความอุ่นใจพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระคุณหาที่สุดมิได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อพรุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยินดีแล้วในนิพพานสมบัติพระองค์ทรงยินดีแล้วในอันปดเปื้อง สัตว์ทั้งหลายออกจากมหันตทุกข์พระองค์ใดทรงยังสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ให้ยินดีในการเปลื้องตนออกจากวัตทุกข์นั้นด้วยข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงกันจับทำทั้งหลายอันเป็นบาปเสียได้ยังชนเหล่าอื่นทั้งหลายให้ร่าเริงในธรรมันเป็นกุศล ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระชินเจ้าพระองค์นั้นด้วยความกรลบเอื้อเฟือพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมทั้งที่เป็นสังคตธรรมคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งและอสังคตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงทรงพิฆาตสังสารวัฏเสียได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสนอม ถนอมสัตว์ทั้งหลายประดุดดังมารดาถนอมบุตรที่เกิดจากอกของตนพระองค์ใดทรงกำราบเสียได้ซึ่งความกระด้างเยื่อยิ่งของเราสัตว์ทั้งหลายพระองค์ใดอันหมู่เทวดาและมนุษย์นับถือแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระชินเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพเอือเ้อเฟื้อขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมภาราทรงเจ้าทั้งหลายด้วยขอความเจริญในธรรมจงมีแด พุทบริษัททั้งหลายที่เป็นโยคียผู้ปฏิบัติตั้งใจในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้องการมาฝึกอบรมในการที่จะทำกระแสชีวิตของตอนเองนั้นน่ะให้เป็นไปกับพระธรรมคำสอนของพพุทธเจ้าในครั้งนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายจงตั้งใจนะว่า ที่เราจะมาเจริญกันในครั้งนี้ก็คือต้องการมาเจริญศีลสมาธิปัญญาทีนี้การที่เราจะเจริญศีลสมาธิและปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมาเท่ากับทความเข้าใจให้ชัดที่เรามาฝึกขัดในการเจริญสมาธิในครั้งนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าเจริญอะไรเจริญสัมมาสมาธิทีนี้สัมมาสมาธิเนี่ยเป็นองค์มรรคข้อสุดท้ายนะในบรรดาสมาทิฐิในความเห็นถูกต้อง สัมมาสังฆปะความดำริถูกต้องสัมมาวาจาการกล่าววาจาที่ถูกต้องคือเว้นจากวจีทุจริตสี่สัมมากรรมตาการกระทำที่ถูกต้องก็คือเว้นจากการยทุจริต3สัมม า, าชีวะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องคือการเว้นจากการยตทุจริตสาวจีทุจริตสสัมมาวายามะความเพียรถูกต้องก็คือความเพียรในสมมประธานทั้ง4สัมมาสติความระลึกถูกต้องก็คือระลึกในสติประฐาน4 สมาสมาธิอันนั้นก็คือความตั้งจิตมั่นอย่างถูกต้องก็คือตั้งมั่นจิตที่เป็นอุปจารลสมาธิสมาธิที่จลใจแน่และอัปนาสมาธิสมาธิที่อยู่ในฌานทั้งสี่นั้นตัวสมาสมาธิที่เรามาฝึกหัดเนี่ยเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการจะให้ได้มาซึ่งวิปัสสนาญาตทั้งหลายเป็นต้นวันนี้จะให้พูดเหตุผลให้ฟังว่าถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วเดินวิปัสสนาญาตไม่ได้ เออเป็นยังไงหลายๆท่านจะรีบไปเดินวิปัสสนาญาณแล้วจะเจอปัญหาอะไรวันนี้จะได้ยกพุทธพจน์ที่พระบรมศาสดาตรัสไว้เพื่อจะได้เป็นเครื่องยั่งจิตชูจิตของเราท่านทั้งหลายได้มีความเชื่อมั่นในสัมมาสมาธิที่พระบรมศาสดาทรงสอนไว้สัมมาสมาธิเนี่ยเป็นองค์มรรคข้อสุดท้ายและเป็นข้อที่มีเนื้อหาสาระสําคัญมาก ที่เราจะต้องทําความเข้าใจที่เรียกว่าศึกษาและจะได้เอาไปฝึกฝนเพียรพยายามขมักข ม, ม่นทำให้เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตให้ได้จริงๆนั้นตัวสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกอบรมจิตถึงขั้นลึกซึ้งเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนเรื่องความประณีตทั้งใ น, นแง่ที่เป็นเรื่องของจิตใจอันเป็นของละเอียดและใ น, นแง่ของการปฏิบัติที่เป็นรายละเอียดอย่างกว้างขวางแล้วก็ซับซ้อนเป็นจุดบรรจบ ในการที่จะนำพากระแสชีวิตเราท่านทั้งหลายเนี่ยให้มีความเข้าใจในเรื่องของสัมมาสมาธิได้อย่างถูกต้องทีนี้พอพูดถึงสัมมาสมาธิก็ต้องมาทำความเข้าใจคำว่าสมาธิให้ชัดฉะนั้นคำว่าสมาธิเนี่ยเแปล ก, กันว่าความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิตเรียกว่าสมาธิฉนั้นภาวะที่จิตของสัตว์ทั้งหลายไม่ตั้งมั่นก็เรียกว่าจิตไม่เป็นสมาธิ แต่ถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดั้นแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดเช่นการเจริญอาณาปณสติเนี่ยภาวะที่จิตแน่วแน่กับลมที่กระทบเข้ากระทบออกไม่ซัดสายไปทางใดทางหนึ่งเลยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวสมาธิเพราะภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กาหนดกาจัด คำจำกัดความของสมาธิก็คือจิตตัดเสกะขะตานั่นเป็นศัพท์ทางวิชาการที่ท่านใช้กันหรือเรียกชันสันว่าเอกคตาเอกคตาซึ่งแปลกันว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือการที่จิตกำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านในที่นั้นก็คือภาวะจิตที่ไม่ซ่านสาย ไม่ร้านสายก็คือจิตที่แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กำหนดไม่ฟงซ่านแล้วก็ไม่ร้านสายในความหมายที่ลึกลงไปอีกที่จำกัดความเข้าไปคือว่าสมาธิคือภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวของอะไรของกุศลและจิตนี่ต้องจำกัดความให้ชัดถ้าหากเป็นความตั้งมั่นของอกุศลอันนั้นเรียกว่ามิจฉาสมาธิเช่น เรามีความกโกรธแล้วก็ตั้งมั่นในการที่จะฆ่าสัตว์แล้วก็สามารถจับสัตว์ตราวุธในการที่ฟาดฟันเข้าไปที่อวัยวะของสัตว์โดยยังถูกต้องไม่ผิดพลาดอันนั้นก็เป็นสมาธิเขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิอันนั้นเป็นสมาธิไม่พึงปรารถนาในที่นี้หรือภาวะที่เรามีความตั้งมั่นในการที่จะลักทรัพย์ จิตก็จดจ่อตั้งมั่นไปหลบซ่อนตัวอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงจิตก็แน่วแน่กลัวคนอื่นจะเห็นด้วยจิตก็ตั้งมั่นไอ้ภาวะที่จิตตั้งมั่นอย่างนั้นเรียกว่ามิจฉาสมาธิหรือในขณะที่กำลังจะประพฤติผิดในกรรมในการที่จะประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายก็มีความตั้งมั่นในการกระทำในขณะที่ตั้งมั่นในการกระทาเหล่านั้นจิตที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเป็นอกุศ ล, ลจิต เป็นบาปอย่างนั้นเขาเรียกมิดฉ้าสมาธิหรือคิดได้มุมก็ตั้งใจในขณะที่พูดในการกล่าวเท็จทั้งๆ ท, ที่คำนั้นเป็นคำเท็จก็ตั้งใจที่จะคิดคำเท็จขึ้นมากล่าวได้จิตที่ภาวะที่จิตตั้งมัน่นได้ภาวะที่ในขณะนั้นกำลังจะพูดส่อเสียดให้คนแตกกันได้จิตที่ตั้งมัน่นพูดคำหยาบได้จิตที่ตั้งมัน่นพูดเพ้อเจ้อได้จิตที่ตั้งมัน่น หรือกำลังจะยกแก้วสุราขึ้นมาดื่มด้วยอกุศลรจิตด้วยจิตที่ตั้งมั่นลักษณะอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิเป็นบาปไม่ใช่กุศลอันนี้ไม่ใช่ภาวะที่เป็นกุศลลจิตคือภาวะที่จิตจะเป็นหนึ่งเดียวนะหลายๆท่านเนี่ยบางคนไปตกปลาเอาไปปุ๊บโยนกระทุ่มกระทุ่มโยนเบ็ดลงไปแล้วก็คอยดูไอตัว ที่มันคอยว่ามีอะไรจะมากระตกไหมก็ตาก็จ้องสมาธิตั้งมั่นในขณะนั้นอันนั้นเรียกว่ามิจฉาสมาธิฉะนั้นมิจฉาสมาธิเนี่ยคนที่มีจิตแน่วแน่ในขณะที่ทำผิดพลาด ท, ทั้งหลายทำบาปทั้งหลายมีการฆ่าสัตว์โดยไม่ผิดพลาดมีการตั้งใจจะลักในเวลาประพฤติผิดในการเป็นต้นเนี่ยเอก ข, าขาตาในฝ่ายอากุศลเนี่ยมีกาลัง อ่อนแอนะไม่แข็งแรงไม่ทนทานเหมือนฝ่ายกุศลเหมือนเอาน้ำราดรถในที่มีฝุ่นนี่แหละแปบ๊บเดียวแค่นั้นเองมันก็จะฟุ้งขึ้นอย่างเก่าฉะนั้นสมาธิที่จกมาฝึกไม่ใช่สมาธิแบบนี้ต้องระวังนะว่าเราต้องมาเดินภาวะที่สมาธิหมายถึงการดำรงคือภาวะที่ มีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตก็หมายถึงการดํารงจิตและเจตสิกในอารมณ์หนึ่งเดียวอย่างสม่ําเสมอและด้วยดีดังนั้นดำรงกุศลจิตไว้ในอารมณ์หนึ่งเดียวอย่างสม่ําเสมอไม่สซ่านไม่ทรายแล้วก็ตั้งมั่นแล้วก็เป็นไปด้วยดีตอนนั้นคุณภาพจิตจะเป็นสภาวะที่เป็นอนนาวชาก็คือไม่มีโทษ กุศลจิตนั้นจะไม่มีของเสียอยู่ในนั้นเลยจะเป็นสภาพจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วผ่องใสใช้งานได้และเป็นลักษณะของอโรคยาก็คือจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่อ่อนแอจิตที่ไม่เสื่อมไม่โทมไม่สุดจิตที่แข็งแรงจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ไม่หงอยเหงาไม่เศร้าซึมและก็ลักษณะของกุศลจิตในขณะที่ตั้งมั่นในรมหนึ่งเดียวนั้น ก็เป็นภาวะที่จิตนั้นมีความปลาโม์อิ่มใจเล็กน้อยแล้วกพัฒนาจากปลาโมดอิ่มใจเล็กน้อยก็ไปสู่ความเป็นปีติความอิ่มใจความเบิกบานมากขึ้นแล้วภาวะที่จิตเข้าถึงความสงบอย่างแนบแน่นแล้วก็เกิดสุขสมนัตและสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นและแกนหลักของกุศลจิตที่จะมาฝึกกันในครั้งนี้ก็คือว่าเป็นไปกับยานปัญญา สามารถรู้กองลมได้ตลอดในขณะที่กระทบก็เห็นตลอดเลยคําว่าตลอดในที่นั้นดูจุดเดียวนี่แหละฉะนั้นสัมมาสมาธินี่แหละในจํากัดความของพระสูตรท่านหมายความว่าเป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยองค์ฌานทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสมาธิเป็นชนะิดภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากการมทั้งหลายสงับจากบาปอคติธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่นี่ประการที่หนึ่งนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิประการที่สองบรรลุทุติยฌ า, านซึ่งมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในนะมีภาวะจิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารระงับไปมีแต่สุขมีแต่ปีติอันเกิดแต่สมาธิอยู่ ประการที่3เพราะปีติจางหายไปเธอจึงมีอุเบกขามีสติคือความระลึกได้อย่างมั่นคงมีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วชัดเลยสวยความสุขด้วยกายบรรลุตาเทียชานที่พระรยาเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติแล้วก็อยู่เป็นสุขนี้ประการที่4เธอสามารถลาสุขและทุก และเพราะโสมนัสและโทมนัสดับหายไปอันนี้เป็นสภาพของจตุทชฌานที่มีอุเบกขาที่บริสุทธิ์อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะเบกขานั้นตั้งมัน่นมองจำกัดความอย่างนี้จะถือได้ว่านี่เป็นแสดงความหมายแบบเต็มกระ บ, บวนการเลยนะฉะนั้นคำว่าสัมมาสา ม, มาธิตามพุทธพจน์ เป็นสัมมาสมาธิที่ขับเน้นตัวปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุตฌานทีนี้ถ้าต้องการให้เข้าใจคําว่าสัมมาสมาธิให้ชัดในภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ไม่มีโรคไม่มีของเสียจิตที่เป็นไปกับสมานะจิตที่เป็นไปกับญาณปัญญาด้วยและในขณะที่ตั้งมั่นแห่งจิตนั้นภาวะที่จะต้องเป็นอุปจารสมาธิคือสมาธิที่จวนจะแน่วแน่ด้วย แล้วก็เป็นปฐมฌานทุติยฌานตัทยฌานแล้วก็อรูปฌานก็คือสรุปก็คือสมาบัตแ8บวกอุปจาระอีกหนึ่งนั่นคือภาวะที่ความตั้งมั่นแห่งจิตความมั่นลงไปแห่งจิตความไม่สายไปความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่ซัดใสเป็นภาวะที่จิตเข้าถึงความสงบที่เรียกว่าสมถะ สมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิสมาธิภละกำลังคือสมาธิสัมมาสมาธิสมสมาธิที่ถูกต้องที่เป็นใบกับปุสนสมาธิที่เป็นสามโพชฌงเป็นองค์แห่งการตัสรูุ้ที่เป็นองค์แห่งมรคเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องดําเนินไปสู่ความพ้นทุกขนับเนื่องในมรคอันใดอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ ว่าโดยสาระสมาธิที่ใช้ถูกทางเพื่อจุดหมายอะไรเพื่อจุดหมายต่อการที่จะหลุดพ้นไปใจจากสังสารวัฏฉะนั้นสมาธิที่เราท่านทั้งหลายมาฝึกกันนะโอกาสนี้เราต้องการที่จะมาฝึกสมาธิที่จะได้ใช้ให้ถูกทางเอาสมาธิเป็นบาทต่อการเจริญวิปัสนาญาณเพื่อแทงตลอดเป็นไปเพื่อปัญญาที่รู้ชัดเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ไม่ใช่เพื่อผลในการอตอบสนองความอยากของตนเนอะเช่นได้สมาธิแล้วจะได้ไปอวดฤทธ์อวดเดชอันนั้นไม่ใช่จะได้ไปแสดงฤทธ์แสดงเดชอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นผลที่ตอบสนองตัญหาของตนเองแต่สมาธิที่จะมาปึกเพื่อต้องการให้ภาวะทีจิตนั้นมีความตั้งมั่นอ่อนโยนนี่แหละเป็นสัมมาสมาธิ ังหลักที่ท่านแสดงไว้บอกผู้ปฏิบัติทมสามารถเจริญวิปัสนาได้โดยใช้สมาธิเป็นฐานที่บอกว่าสมาธิพิขเวบาเวถสมยโตยถาภูตังประชานาตินี่แหละดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายมีภิกษุเป็นต้นเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อพุทธบริษัทสี่มีภิกษุเป็นต้นมีจิตตั้งมั่นแล้วจะได้รู้ชัด ทุกขสัจจะตามความเป็นจริงจะได้รู้ชัดสมุทัยตามความเป็นจริงจะได้รู้ชัดนิโรธาสัจจะตามความเป็นจริงและจะได้รู้ชัดมรรคสัจจะตามความเป็นจริงตรงนี้ก็คือว่าวิปัสสนาญาณที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นก็จะต้องตั้งอยู่บนฐานของจิตที่เป็นสมาธิคือสมาธิที่ใช้ประกอบกับวิปัสสนาญาณเพื่อสร้างปัญญาที่รู้แจ้งอันเป็นสมาธิในระหว่าง แห่งการที่จะเป็นพื้นฐานต่อการเจริญวิปัสสนาญาณทั้งหลายเมื่อวานพูดถึงในเรื่องของขณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะนี่เป็นสมาธิขั้นต้นซึ่งคนทั่วไปเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากการใช้สมาธิระดับนี้ได้เยอะเช่นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาก็จะใช้ระดับขัิกะสมาธิเป็นฐาน แต่สมาธิระดับนี้จะได้รับผลดีและเลิศประเสริฐจะต้องมีฐานของอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิเป็นตัวหนุนช่วยอุปจารสมาธิก็แปลว่าสมาธิที่เฉียดเฉียดหรือสมาธิที่จวนจะแน่วแน่เป็นสมาธิในขั้นของการาระงับนิวรธาธรรมคือระงับการมฉันทะพยาบาททีนมิท้าอุทะจักกุกุจ า, จาวิจิกิจขาเป็นต้นได้ประการต่อมาคืออัปนาสมาธิ ก็คือสมาธิที่แน่วแน่ตั้งมัน่นเป็นสมาธิระดับสูงสุดซึ่งมีอยู่ในฌานทั้งหลายเป็นต้นดังได้กล่าวแล้วเราเนี่ยเบื้องต้นเราต้องทำมูลลสมาธิให้เกิดขึ้นหรือสมาธิขั้นมูลสมาธิเบื้องต้นสมาธิต้นเขาเนี่ยหรือเรียกบริกรรมสมาธิสมาธิขั้นตระเตรียมจะต้องทำให้มีทำให้เกิดขึ้น ถามว่าการฟังธรรมเนี่ยต้องใช้สมาธิระดับไหน <_ d ata> การฟังธรรมต้องใช้สมาธิระดับไหนใช้หรือไม่ใช้ <_ d ata> การฟังพระธรรมในขณะ น, นี้เราจะต้องใช้สมาธิฟังหรือไม่ใช้ใช้กุศลสมาธิหรือใช้อากุศลสมาธิใช้กุศลสมาธิถ้าคนไม่มีสมาธิจะนั่งหลับหรือไม่หลับไม่หลับก็ฟุง้งสังเกตดูนะ เนี่ยเวลามาปฏิบัติทมกันมาฟังธรรมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคนที่ฟังธรรมแบบไม่มีสมาธิคนคนนั้นจะนั่งหลับจะนั่งหลับจะสับประกตลอดนี่เขาเรียกว่าตอนนั้นจิตไม่เป็นสมาธิในการฟังธรรมหรือไม่หลับก็จิตก็ซัดสายฟุง้งซ่านถ้าไม่ฟุง้งซ่านจิตก็หดโหลถ้าไม่หดโคจิตก็ลังเลสงสยัย ท้าไมลังเล ส, สงสัยจิตก็เครียดก็โกรธก็หงุดหงิดหรือมัวไปเพลินเรื่องอื่นตลอดเวลาอย่างนี้เขาเรียกไม่เคารพธรรมด้วยคนไม่เคารพธรรมจะบรรลุได้ไหมมีโอกาสจะบรรลุธรรมไหมคนไม่เคารพธรรมมีโอกาสจะบรรลุธรรมไหมไม่มีนะฉะนั้นเวลากว่หาหลายคนเวลามาฟังธรรมเนี่ยใจไม่ได้อยู่กับพระธรรมเพราะไปสําคัญว่าตนเองฟังไม่รู้เรื่องบ้าง ตนเองรู้แล้วบ้างเนี่ยเป็นต้นนี่เขาเรียกใจกระด้างจิตใจที่หยาบจิตใจที่กระด้างจิตใจที่หมกมุ่นอยก บ, บาปัจจุบัธรรมันชั่วร้ายทั้งหลายอย่างนั้นถือว่าไม่เคารพธรรมเมื่อไม่เคารพธรรมนะกระทบไปถึงการไม่เคารพพระพุทธเจ้าด้วยเมื่อไม่เคารพธรรมพระธรรมอยู่ในกระแสชีวิตของท่านผู้ใดคือพระริยเจ้าทั้งหลายก็ชือ่อไม่เคารพพระรัตนตรัยด้วย นั้นการทำให้พระศาสนาไม่เจริญในกระแสะชีวิตของตนเองเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวเนอะนี่เพราะความไม่รู้นี่แหละเมื่อวานได้พูดว่าเพราะฉะนั้นแหลภิกษทุทั้งหลายเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วเป็นอย่างดีในภายในอันนี้แปลว่าเราจะต้องทำจิตของตนเองนั้นแน่ให้ดำรงแน่วในภายใน บาปอคติสราธรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายจะได้ไม่เกาะกลมจิตตั้งอยู่ได้เธอต้องฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้ท่านทั้งหลายเมื่อฟังพุทธพจน์ตรงนี้แล้วเนี่ยต้องจําแล้วต้องทําความเข้าใจให้ชัดว่าเราเนี่ยจะต้องทําฝึกหัดตนเองด้วยการสมาทานให้ตั้งมั่นวิธีการสมาทานก็คือว่าไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดนีไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใด เราจะให้กุศลสมาธิเท่านั้นเกิดขึ้นก็คือสมาทานตั้งมั่นในระหว่างที่เราอยู่นี่แหละไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดนะไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสผลภิภัณฑ์ธรรมารมทั้งหลายเนี่ยเราจะให้กุศลสมาธิเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะการที่วางจิตและตั้งมั่นสมาทานทําให้อาหานทําให้ล่าเลิงอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นแรงกระตุ้นอันนี้ไปจากเจียรติจำนง นี่เขเรียกนิยมมิตาเนี่ยคือมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะให้กุศลสมาธิเท่านั้นเกิดก็คือจิตจะไม่สัน้นไม่สายไม่ฟงจิตที่จะเดินเรียบสม่ำเสมอแล้วก็เป็นไปด้วยดีได้อำนาจของกุศลนี่เป็นไปอย่างนี้ทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าไอ้ตัวมูลสมาธิเนี่ยเมื่อเราได้ฝึกอย่างนี้แล้ว เหมือน ก, นกันกับไฟที่เกิดขึ้นจากการสีไม้สีไฟนี่แหละหรือเหมือนตีเหล็กไฟนั้นการพัฒนามูลสมาธิด้วยการเจริญอาณาปณะสติก็เหมือนกับเอาเชื้อไฟมาต่อให้ไฟมันลุกไหมต่อไปอีกประการต่อมาเมื่อทําไปเรื่อยๆในส่วนจริงสมาธินั้นก็เริ่มพัฒนาจากมูลสมาธิที่เป็นสมาธิชั่วขนาดนี่แหละ จากการที่ต่อไปเรื่อยๆเหมือนต่อต่อไปเรื่อยๆนี่แหละเหมือนอไม้สีไฟมาสีไปเรื่อยๆสีไปเรื่อยๆนักเข้าไฟจะลุกไหมนักเข้าไฟก็ติดลุกขึ้นมาได้นี่ก็เหมือนกันท่านถ้าเรายิ่งเจริญยิ่งระลึกบ่อยๆระลึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ล, ลึกที่ลมกระทบเข้ากระทอบออกเนี่ยอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อเป็นไปอย่างไม่ขาดสายมากขึ้นก็จะเริ่มพัฒนาจากคณิกาสมาธิ แล้วก็พัฒนาไปสู่อุปจารละส ม, สมาธิสมาธิที่จวนจะแน่วแน่ตอนนั้นกลุ่มนิวราธรรมทั้งหลายบาปอากุศลธรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายก็เริ่มสงบราบคาบลงเหมือนน้านี่แหละเมื่อน้านิ่งไอตะ ก, กรนก็ค่อยๆจมลงจมลงจมล ง, มลงใช่ไหมน้ำจะใสไหมน้ำก็จะเริ่มใสตอนนี้จิตใสไหมจิตขุดมัวมาก บาปอกุศลธรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายกาะกลุ่มจิตเต็มไปหมดเลยตัวนี้เพราะจิตไม่นิ่งฉะนั้นจะต้องทำจิตให้นิ่งในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ใช่นิ่งแบบหลับนะถ้านิ่งหลับไม่ได้ใสจริงนะพระเจ้าตรัสไว้บอกว่าภิกษุ ท, ทั้งหลายเนี่ย เรานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเดีดเด่ยวอยู่มีเนคขมมะวิตกอพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกเนคขมมะวิตกในที่นั้นหมายถึงการที่จิตนั้นน้อมไปในกุศลน้อมไปเพื่อจะยังปฐมฌานเป็นต้นให้เกิดขึ้นอพยาบาทวิตกก็คือน้อมไปในเมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนน้อมไปในอวิหิงสาวิตกก็คือน้อมไปในกรุณา เราก็รู้ชัดว่าเนคขมวิตกอัพยาบาตวิตกอวิงสาวิตกเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็วิตกชนิดนี้ถือเป็นวิตกฝ่ายดีย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนนะไม่เบียดเบียนคนอื่นในขณะที่กําลังน้อมจิตให้ตั้งมั่นด้วยกุศ ล, ลจิตแน่วแน่ดูที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกกระทบเข้ากระทบออกอย่างต่อเนื่องในขณะนั้นชื่อว่าไม่เบียดเบียนตนในขณะนั้นชื่อว่าไม่เบียดเบียนคนอื่น และชื่อว่าไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายหรือในขณะที่น้อมจิตที่เป็นไปกับเมตตามีความรักความปรารถนาดีความเอื้ออทอนแบบจับจิตจับใจเกิดขึ้นในขณะนั้นชื่อว่าเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนและเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นและก็ไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายในขณะที่ตั้งกรุณาจิตให้เกิดขึ้นโดยมีความสงสารปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากมหันต์ทุกข์มหันตภัยทั้งหลาย ในขณะนั้นชื่อว่าไม่เบียดเบียนตนในขณะนั้นชื่อว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นและในขณะนั้นชื่อว่าไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายในขณะนั้นชื่อว่าเป็นการช่วยเพิ่มพูนปัญญาไม่ส่งเสริมความคับแค้นเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ท่านบอกถึงหากเราจะเฝ้าตรึกตรองวิตกฝ่ายดีเหล่านี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเราก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจากวิตกเหล่านี้เลย ถ้าหากเราจะเฝ้าตรึกเฝ้าตองวิตกชนิดนี้ตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนเนี่ยเราก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจากวิตกชนิดเลยก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกไปอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกมากเกินไปกายก็เหนื่อยกายก็เหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตเราก็ห่างจากสมาธิ หางจากความตั้งมั่นแน่วแน่แห่งจิตพระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเรานั่นแลจึงดำรงจิตไว้ในภายในเห็นไหมถ้าจิตสัดนสายออกไปข้างนอกมากๆมนีฟุ้งซ่านไม่แน่วแน่แนจิตสัดสายท่านบอกว่าตอนนั้นเรากลับใหม่เรากลับมาดำรงจิตไว้ในภายในที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นพอมากาหนดดูที่นิมิตกล่าวคือลมหายใจไอลมหายใจเข้าออกเขาเรียกนิมิต เบื้องต้นเขาเรียกบริกรรมมนิมิตนิมิตคือลมหายใจลมหายใจเข้าออกเนี่ยเมื่อน้อมจิตที่สัดสายไปข้างนอกกลับมาข้างในมาดูที่นิมิตคือลมกระทบเข้ากระทบออกแล้วตั้งมั่นแน่วแน่ด้วยสภาพของจิตที่เป็นกุศลจิตไม่สั้นสายเรียบสม่ำเสมอเป็นไปด้วยดีในขณะนั้นจิตก็เป็นสมาธิ จิตก็อยู่ตัวทำให้อยู่ตัวทำให้สงบทำไม่มีอารมณ์หนึ่งเดียวตั้งมั่นไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะหมายใจว่าจิตของเราอย่าได้ฟุ้งซ่านไปเลยนี่ภาวะที่จิตเป็นสมาธิตอนนั้นจิตเราอย่าฟุ้งซ่านเลยจิตเราอย่าได้หงอยเหงาเลยจิตเราได้จะได้หลับเลยจิตเราอย่าได้ไปกำหนัดเลยอย่าได้ไปขัดเคืองอย่าได้มัวเมาล่มหลงเลย ให้มาตั้งมั่นให้มาอยู่ตัวให้มาแน่วแน่ให้ตั้งมั่นเดิมหน้าของกุศลจิตนี่คือภาวะใงการทำจิตเป็นหนึ่งเดียวนะประการต่อมาพิสษุ์ทั้งหลายความเพียรเราก็ได้เร่งระดมแล้วระดมประคองความเพียรอย่างต่อเนื่องสังเกตนะว่าคนที่ขาดความเพียรจะเป็นคนที่หลับง่ายจะเป็นคนที่หลับง่ายเพราะไม่ระดมความเพียรอย่างติดต่อ คนที่เพียนมากเกินไปจะเป็นคนที่ฟุ้งซ่านใช่ไหมเราเป็นประเภทไหนเพียนมากหรือเพียนน้อยมากหรืยน้อยดย้อยมากน้อยเด่นมากน้อยเพิกสุทั้งหลายความเพียนเราก็ได้เร่งระดมแล้วไม่ย่อหย่อนสติก็กำกับอยู่ไม่เลือนหลงไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะ ใช่มนึงความเพียรประคองสติตั้งมั่นความเพียรก็ประคองสติไว้ความเพียรก็เร่งระดมประคองจิตไว้ประคองสติไว้อยู่กับลมสติก็ไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหลงก็คือไม่ไประลึกเรื่องอื่นตั้งมั่นรละลึกอยู่ที่ลมกระทบเข้าและกระทบออกกายก็ผ่อนคลายสงบไม่กระสับกระส่ายฉะนั้นคนที่ภาวะที่จิต ไม่ตั้งมั่นในลมหนึ่งเดียวจะเป็นคนที่มีกายการะสรับกระสายสังเกต ด, ดูไหมหลายคนมานั่งเนี่ยจิตกายเขาจะนิ่งมากเวลานั่งเนี่ยไม่ว่าจะตั้งแต่ศรีรษะคอไหล่หลังเอวอยบบทที่นั่งเขาจะนั่งได้อย่างที่นิ่งและสงบไม่ใช่นิ่งได้สงบเพราะเพราะอากุศลนะตอนนั้นจิตเป็นสมาธิ แน่วตั้งมั่นด้วยอํานาจของกุศลจิตเป็นหนึ่งเดียวภาวะในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าความเพียรก็ได้ระดมแล้วไม่ย่อหย่อนสติก็กํา ก, กับอยู่ไม่เลือนหลงไม่ปั้นเฟือนด้วยกายก็ผ่อนคลายสงบไม่กระสับกระส่ายจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งเดียวไม่สัน้นไม่สายเป็นไหมเป็นแบบนี้ไหม ถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวะจิตรเริ่มมีอารมณ์หนึ่งเดียวแล้วเริ่มจะใช้งานได้แล้วต้องอย่างนั้นประการต่อมาเนี่ยเมื่อภาวะที่จิตรเริ่มตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเดียวก็เริ่มพัฒนาจากมูลสมาธิหรือบริกรรมสมาธิสมาธิขั้นตรเตรียมนี่แหละตอนนั้นเรกว่าเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักน้อมจิตของตนเองนั่นแหละก็หมายความว่าจิตของเรานั้นจะเป็นจิตที่ตั้งมัน่นเมื่อใดแลจิตของเธอเป็นจิตที่ตั้งมัน่นหรือเราจักเป็นผู้มีจิตที่ตั้งมัน่นดำรงแน่วแน่เป็นอย่างดีในอาณาปนานสติในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทาทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นอกุศลจะได้ไม่กาะกลมจิตตั้งอยู่ได้ ภิกษุเธอพึ่งฝึกฝนขมักขมแน่นเพียรพยายามอย่างนี้แหละเอาแล้วพอได้แล้วพอได้ภาวะจิตที่มีอารมณ์หนึ่งเดียวแล้วเมื่อใดแลเธอได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวแล้วเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วแน่เป็นอย่างดีในภายในคือดูลมหายใจเข้าแล้วออกเป็นต้นแล้ว ทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นบาปอกุศลไม่กาะคุมจิตเธอตั้งอยู่ได้อย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเธอพึงขมักขม่นต่อเธอพึงฝึกฝนเพียรพยายามต่อเธอจงระดมความเพียรต่อระดมความเพียรต้องเจริญทำให้มากซึ่งอาณาปานสติเป็นต้นทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมจ็กเจน ทำให้สำเร็จได้เป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายเธอพึงฝึกฝนขมักขมน่นเพียรพยายามอย่างนี้อันนี้แปลว่าภาวะนี่พัฒนาจากมูลสมาธิเขาถึงอุปจารสมาธิทีนี้พอถึงอุปจารสมาธิแล้วตอนนี้เริ่มจวนจะแน่วแน่ตอนนั้นนิวรณทั้งหลายระงับบาปอากุศลธรรมทั้งหลายไม่กลุมลมจิต ตอนนั้นคุณภาพจิตเริ่มใสเริ่มตั้งมั่นเริ่มแนวแน่มั่นคงดีจิตสดชื่นผ่องใสล่าเลิงแล้วพระเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเรานั้นแหละท่านบอกว่าเรานั้นแหละเมื่อคุณภาพจิตเราได้อย่างนี้เราก็เจริญก็ททำให้มากทำเป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งมั่นสั่งสมจัดเจนก็คือว่าเรานั้นแหลก็สงอจาก การทั้งหลายสงัดจากเอาสนทำหลายบรรลุปถมฌานเป็นต้นฉะนั้นการดํำรงจิตไว้ในภายในทําให้อยู่ตัวสงบทําให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวตั้งมั่นเนี่ยอันนั้นเป็นข้อแรกเป็นมูลสมาธิจิตตั้งมั่นมีอารมณ์หนึ่งเดียวเนี่ยแสดงถึงมูลสมาธิคือคณิกาสมาธิอันมีมาก่อนที่จะเกิดก็ะจะได้เข้าถึงความแน่วแนแล้วต่อมาก็พัฒนามูลสมาธิเข้าถึง อุปจาระ จ, ะจกอุปจาระเข้าถึงอัปนาซึ่งเป็นฌานาจิตเป็นต้นตรงนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันตอนนี้ก่อนเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่จะกล่าวต่อไปก็คือสิ่งที่ไม่ใช่สมาธิว่าอะไรเป็นศัตรูของสมาธิเป็นสิ่งที่จะต้องกําจัดเสียถ้ากําจัดสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะเกิด ถึงจะเกิดสมาธิได้แต่ถ้ามีสิ่งเหล่านี้รกลุงลังอยู่ในจิตทำยังไงก็เกิดสมาธิไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะพูดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องกําจัดเสียด้วยสมาธิก็ได้สิ่งเหล่านี้มีชื่อเฉพาะว่านิวร น, น, น, น, นเขาเรียกนิวรนิวรก็แปลว่าอะไรนิวรณะหรือนิวรเนี่ยเขาแปลว่าเครื่องกีดกั้นเครื่องขัดขวาง ถ้าแปลตามหลักวิชาการก็แปลว่าสิ่งที่กีดกั้นการทำงานของจิตหรือสิ่งที่ขัดขวางความดีงามของจิตมองอีกทีก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทอนกํำลังปัญญาสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในกุศลและธรรมทั้งหลายนั้นทำฝ่ายชั่วที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีหรืออกุศ ล, ละธรรมที่ทำให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ทาปัญญาอ่อนกาลังลงเนี่ย พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายทำา5าประการนี้เป็นเครื่องปิดกั้นปิดกั้นอะไรปิดกั้นกุศ ล, ลธรรมปิดกั้นอะไรปิดกั้นความดีเป็นเครื่องห้ามห้ามอะไรห้ามการเจริญงอกงามในกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็กดทับจิตไว้ทำอะไรให้อ่อนกําลังลงก็ทำปัญญาให้อ่อนกําลังลงนะ เป็นอุปกิเลสของจิตทำไมเรียกว่าอุปกิเลส เ, เรียกเป็นสนิมเป็นสนิมใจเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองฉะนั้นถ้าสนิมเกิดในใจมันเหมือนสนิมเกิดในเหล็กสนิมเนี่ยถ้าเกิดในเหล็กแล้วกลัดเหล็กกร่อนไหมกร่อนสนิมใจคืออุปกิเลสเวลาเกิดขึ้นในจิตจิตก็เศร้าหมองจิตก็เศร้าซ้อยเหงาหงอย จิตก็มีของเสียเต็มไปหมดเลยในส่วนจริงจิตพังไหมก็ เ, เห็นคนจิตเสียไหมถ้าจิตเสียมากๆต้องไปที่ไหนคนจิตเสียมากๆเป็นยังไงก็ไปโรงพยาบาลไงแล้วเขาแก้ให้ได้ไหมไม่ได้ต้องไปกินยาระงับระงับจิตเสียไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะจิตมันพกพ่านแล้ว กลัวไหมกลัวจิตเสียไหมถ้ากลัวก็ต้องมาขจัดไอ้สนิมใจออกให้ได้ตอนนี้วิธีการที่จะขะจัดสนิมใจเนี่ยมีวิธีการเดียวเท่านั้นก็คือมาฝึกจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยสามารถขจัดของเสียออกจากจิตแล้วจะได้เดินปัญญาได้แต่ตอนนี้ยังมีสนิมใจอยู่เนี่ยใจมันเสียมีของเสียเต็มไปหมดอยู่ถึงจะไป ให้ทานรักษาศีลเกษียณหมดเลยใช่ใชเข้าใจไหมตอนเนี้มันไปไม่ได้นั่งก็ฟุง้งนั่งก็หลับอันนี้แปลว่าใจเริ่มมีของเสียหรือยังมีสนิมใจหรือยังนั่งก็เมื่อยลอยเป็นไหมนั่งก็เมื่อลอยเหงาหงอยเศร้าซึมฟุ้งซ่านเป็นไม่เป็นสัดใส่กำหนัดบ้างขัดเครืองบ้างมัวเมาลุ่มหลงบ้างเป็นไม่เป็นเนี่ย เอากำหนัดมหมยินดีในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเครืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งความขัดเครืองมัวเมาลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งความมัวเมาลุ่มหลงประมาทเลื่อไปวันวั น, วนตอนนี้เป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นนี่เขาเรียวกว่ามีอะไรมีสนิมใจใจเหมือนกระเหล็กสนิมเหมือนกับที่เกาะเหล็กอยู่ฉะนั้นถ้ารู้ว่าเหล็กตัวไหนมีสนิมเกาะจะต้องกระจัดออกไหม ทำยังไงวิธีการเอาอะไรไปถูออกต้องรีบถูก็ต้องรีบขจัดออกไหมต้องรีบขจัดออกอย่างเร็วหรือไม่เไม่เร็วเร็วไหมถ้าบ้านเราเป็นเสาเป็นเหล็กแล้วต่อมาเห็นสนิมเกาะเต็มอยู่ทำยังไงวิธีการปล่อยไว้ปล่อยไม่ปล่อยต้องจัดการดิต้องไปชำระออก ให้สารใช้น้ำมันไปถถออกถ้าอย่างนั้นมันจะเริ่มก่อตัวมากขึ้นแล้วมันจะกินเหล็กผุหมดเลยนี่มัฏจักรใจมีสนิม <c oughs> ก็เรียกเป็นอุปเกตแห่งจิตเป็นสนิมสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองทำปัญญาให้อ่อนกำลังทำห้าประการเหล่านี้เป็นนิวร์นะทำให้มืดบอดทำให้ไร้จกักษุไร้จักูุเข้าใจไหมไร้ตาไม่มีตา ทำให้ไร้จกักษุก็คือตาบอดเมื่อสนิมเหล่านี้เกาะในใจแล้วทําให้ใจบอดปัญญาเกิดไม่ได้ทําให้ไม่มีญาณสร้างความไม่รู้ทําให้ปัญญาดับส่งเสริมความคับแค้นใจไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานในห้าประการเนี้ต้องระวังนะว่า อย่านำมาสับสนกับสมถะหรืออย่ามาสับสนกับคาว่าสมาธิหากพบที่ใดต้องตระหนักว่านี่ไม่ใช่สมถะไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สมถะไม่ใช่สมาธิหนึ่งกา ม, มาฉันทะความอยากได้อยากเอาแปลตามศัสต์ก็แปลว่าความพอใจในกามนี่แหละอภิชาก็คือความเพ่งเล็งอยากได้หมายถึงความอยากได้กามคุณทั้งห้า อยากจะได้รูปอยากจะได้เสียงอยากจะได้กลิ่นอยากจะได้รสอยากจะได้โพธิภะที่น่าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นกิเลสประเภทโลภานี่แหละต้องการเอามาบมลุมบมเลอตอบสนองเอามาปนเปลอิอกตาหูจมูกลิ้นกายต้องการได้สิ่งเหล่านี้มาบม่มลูบ่มเลอมาตอบสนองมาบม่บมเลอสีตาหูจมูกลิ้นกายใจ นี่เป็นโลภะจิตที่ถูกหล่อโดยลมต่างๆคิดอยากได้นูน่นอยากได้นี่ติดใจโนูน่นติดใจนี่คอยแขวะออกไปจากหาลมอื่นคุณคล้องย่อมไม่ตั้งมัน่นไม่เดินเรียบไม่อาจจะเป็นสมาธิได้จริงไม่จริงการมฉันท่าคือโลภะเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วจิตเป็นสมาธิได้ไหมคนที่มีความติดใจใฝ่ายกสันจิตร่านล่นอยู่ตลอดถามว่าจะเป็นสมาธิได้หรือไม่ได้ จิตเดินเรียบหรือเดินไม่เรียบเดินไม่เรียบไม่สม่ําเสมอมันอยากได้นู่นอยากได้นี่ตลอดมันไม่หยุดเป็นไม่เป็นมีไหมความอยากได้อยากแดนอยากเอาเนี่ยมีเยอะไหมถ้าเยอะอันี้ไม่ใช่สมถาถะนี่ไม่ใช่สมาธิประการที่สองพยาบาทมีไหมในที่นั่งอยู่เนี่ยพยาบาทเกิดหรือไม่เกิด ความขัดเคืองแค้นใจความขัดใจแค้นเคืองเกียจชังความผูกใจเจ็บการมองคนในแง่ร้ายคำว่ามองคือการคิดถึงคนอื่นในแง่ร้ายคิดด้วยจิตเสียการคิดร้ายมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูตลอดจนถึงความโกรธความหงุดหงิดความฉุนเฉียวความรู้สึกขัดใจไม่พอใจต่างๆ มันนั่งอย่างนี้ก็ขัดใจไม่พอใจเขาเปิดแอร์ก็ขัดใจไม่พอใจเขาปิดแอร์ก็ขัดใจไม่พอใจเวลามันนั่งกรรมาฐานมีเสียงพูดกระทบถึงหูก็ขัดใจไม่พอใจไปกินอาหารไม่ต้องอาหารได้อย่างไม่ถูกใจที่เราคิดก็ขัดใจไม่พอใจเป็นไหมไปเข้าห้องน้ำมีคนเข้าอยู่ก่อนก็ขัดใจไม่พอใจ เข้าไปในห้องเพื่อนร่วมห้องคุยมากก็ขัดใจไม่พอใจเขาปูผ้าไว้ไม่ค่อยเรียบร้อยหรือเราออกไปหน่อยแล้วผ้ามันยับหน่อยก็ขัดใจไม่พอใจเป็นไหมเป็นไม่เป็นเปไหมหรือไม่เป็นเลยเออดีจังล <c oughs> ักษณะว่าคือจิตที่กระทบน้นกระทบเนี้ยมันสะดุดนั่นสะดุดนี่ เดินเรียบไหมสะดุดนั่นสะดุดนี่เดินเรียบหรือไม่เรียบเดินไม่เรียบไม่ไหลอย่างต่อเนื่องเมื่อเดินไม่เรียบไม่ไหลอย่างต่อเนื่องจึงไม่อาจเป็นสมาธิได้เข้าใจยังไม่อาจเป็นสมาธิได้ยอมฟังยากไหมฟังเข้าใจยากไหมยากไม่ยากไม่ยา ก, ยากนะตั้งใจนิดนึงแล้วต่อไปจะได้แก้ไขได้เวลานั่งกรรมาฐาน ประการที่สามทีน้ำมิทะยอมรู้จักคําว่าถีหน้ากับมิทะไหมคืออะไรอ้อาวนั่งยอมผู้ชายรู้จักถีหน้ามิทะไหมแปลว่าอะไรง่วงนอนใช่มเรียกว่าทีหน้ามิทะเอางี้ถ้าถามว่าหดโคล่ะหดโคนี่เป็นถีหน้าไหม เสื่องซึมเซ็งอะยอมเคยเซ็งไหมเซ็งแล้วซึมอะเซ็งกับซึมเนี่เหมือนกันไ่มยอมเอามานั่งฟังแล้วเซ็งเคยเซ็งไหมเซ็งเบื่อเป็นไหมเซ็งแลวเบื่อซึมมันแยกเป็นนาทีนะแปลหดหู แปลว่าหอเหียวถอดถอยละยอ่อแปลท้อแท้แล้วก็ซบเซาเนาหงอยละเหียนี่เป็นอาการของจิตนะมิดท่าแปลว่าเสื่องซึมเฉยเฉาง่วงเหงาหานอนงอกง่วงอืดอาดมึนมัวตื้อตันอาการซึมซึมเฉาเฉาที่เป็นไปทางกายทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจิตที่ถูกอาการทางกายทางใจอย่างนี้ครอบงำย่อมไม่แข็งแรงไม่คล่องตัวไม่เหมาะแกการใช้งานจึงไม่อาจจะเป็นสมาธิได้ สรุปแล้วยอมเป็นกันบ่อยมากเออแต่ยอมไม่เคยรู้ว่าไอตัวนี้ยอมนึก ว, ว่ามันง่วงอย่างเดียวเซ็งด้วยซึมด้วยเบื่อด้วยมันรู้สึกว่าวันนี้มันเบื่อเบื่อเซ็งเซงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นเป็นไม่เป็นบ่อยไม่บ่อยอาการอย่างนี้เ็าเรียกว่าถีนมิทะ ฉะนั้นเมื่อถีนะ่นมิธาเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแปลว่าย่อมไม่แข็งไม่เข้มแข็งไม่คล่องตัวไม่เหมาะแก่การใช้งานจึงไม่อาจจะเป็นสมาธิได้แล้วตอนนั้นจิตแบบนี้จะไปใช้งานได้ไหมความเพียรต่ํามากเอาเคยไปอยู่ที่บ้านบางทีอยากจะกวาดบ้านแล้วมันเบือ่อเป็นไหมอยากจะหุงข้าวก็เบือ่อบางทีอยากจะกินอาหารยังเซ็งเลยนอนเซงซึมอยู่นั่นแหละเป็นไม่เป็น อาการอย่างนี้เป็นบ่อยไหมนั่นแหละเขาเรียกว่ากิเลสมันเข้าใจมันมีสนิมสนิมใจเนี่ยมันเสียมันเริ่มเกาะ ก, กุมจิตแล้วนั้นลหลายๆคนพอเกิดอาการเซ็งอาการซึมอาการเบือ่ออาการหงอยเหงาทั้งหลายเหล่าเนี้ยจึงออกไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวบ้างไปดูตลาดบ้างดูน้ําบ้างดูป่าเขาลําเนาภัยบ้างไปดูอบยาศาสตร์บ้างใช่ไหมล่ะ เอาอาหารไปให้อบายาศาสตร์กินบ้างเอาไปให้ปลากินบ้างไปดูเตา่าประจำวัดบ้างอะไรก็ว่าไปนู่นไปเชียงใหม่ดูหมีแพนด้าบ้างให้ใจมันหายเซ็งซึมแบบนั้นใช่ไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นอาการของกิเลสสนิมในใจมันเกิดถามว่าไอ้ ก, กิเลสประเภทนี้มันเคยไว้หน้าไหมเอาคนจะเป็นระดับผู้นําสูงสุดเป็นระดับระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาการแบบนี้เกิดได้ไหม เป็นขอทานนะเกิดได้ไหมเห็นไห ม, มไม่เลือกหรอกหรือเป็นพระเกิดได้ไหมเอามานั่งปฏิบัติธรรมในเยาวพุทธเนี่ยกิเลสมันวิ่งตามมาได้ไหมกิเลสประเภทนี้ได้ไม่ไ ด, ได้หรือว่ามั น, ม, น, ม, นมันหยุดตัวอยู่ตรงที่ประตูเข้าแล้วพอจะเดินเข้ามาประตูนี้กิเลสทุกตัวมันวิ่งหนีหมดเลยมไม่กล้าเข้ามาเป็นหรือเปล่าอย่างงั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยใช่ไหม มันมาได้ยังไงกิเลสแบบนี้มาได้มาได้ไงทํา ไ, ทไมเราปล่อยมันเข้ามาบางคนนี่จนอาการหนักแล้วมาจนอาการซึ้ซึมอาการเซ็งอาการหงอยเหงาเนี่ยอาการห่อเหี่ยวหดหูถดถอยละย่อ ท, ท้อแท้ซบเซ า, าหงอยเหงาละเหี่ยเนี่ยหรือเสื่อมซึมเฉยเฉาเหงางอกง่วงเนี่ยมันกลายเป็นเนื้อเป็นตัวไปแล้วเคยเป็นไหม บางค น, นกลายเป็นเนื้อเป็นตัวไปแล้วแล้วมันจะเป็นแต่เฉพาะว่าเวลาจะมาทำความดีเท่านั้นนะถ้าไปเรื่องไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้มันตื่นเต้นเ ล, เล่าใจไปเลยไม่เกิดแต่เวลาจะมาทำความดีเนี่ยโอ้โหมันมากันเป็นแถวเลยใช่ไหมอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามันมีสนิมใจอย่างมากมันจะบอกตลอดเวลาถ้าไปอย่างนี้ฉันไม่เอาฉันจะเซง็งฉันจะเบือ่อ ถ้าจะให้ฉันไปนั่งฟังทำจะให้ฉันไปนั่งสมาธิถ้าให้เป็นเป็นฝึกไปต่างฉันไม่เอาใจฉันไม่สบายฉันจะหงอยเหงาฉันจะซึมฉันจะเศร้าทันทีเลยใช่ไหมเล่าเนี่ยมันรักษนาดอย่างนี้เล่ถามโยมผู้หญิงเคยนั่งเล่นไพ่ัหมตามจริงเคยไหมเคยไม่เคยเล่นไปง่วงไปไหมง่วงไหม เล่นได้ทั้งคืนนะบางคนเนี่ยตาสว่างอยู่นั่นแหละใช่ไหมล่ะบางคนเล่นได้ทั้งคืนยิ่งเล่นแล้วได้เยอะๆด้วยเนี่ยเป็นไงง่วงไหมง่วงไหง่วงเสียมากๆก็ไม่ง่วง <c oughs> ใช่ไหมล่ะน <c oughs> ี่นเป็นอยังไงเคยนั่งดูภาพยนตร์ไหมดูแล้วเบื่อเซ็งไหม ดูก็ตื่นเต้นกันอยู่นั่นแหละทั้งๆ ท, ที่เรื่องไม่มีสาระอะไรก็ดูกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่ไงว่าเวลาไปทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยโอ้โหมันถูกใจ ก, กัีริย์เหล่านี้เลยมันฟุดขึ้นมาเลยแตอเนี้ยแต่เวลาจะมาทําความดีทั้งหลายมันกั้นหมดเลยเอาอะไรนี่คือปัญหาเกิดที่ใครปัญหาเกิดที่ใครต้องแก้ไหมแก้ปัญหาหรือแก้ตัว แก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาตรงนี้แสดงว่าบางคนเป็นอาการหนักแล้วนะหนักก็ยังไม่รู้ตัวอีกว่าเป็นเนี่ยนะโอ้ตรงนี้เดี๋ยวบอกบอกให้โยมนะตกใจนะบอกให้ให้ให้ตกใจคงไม่ใช่พวกเราหรอกตอนนี้เขาก็ไป เ, เขาวัดจากสติเขาบอกตอนนี้ในประเทศไทยเนะี่ยคนเป็นโรคจิตโรคประสาทก็เยอะ มากเอามาไปคุยกับจิตแพทย์พอไปคุยเนี่ยามาสงสารจิตแพทย์เลยตอนนี้จิตแพทย์หนึ่งคนเนี่ยต่อวันเนี่ยรับคนไข้โรคจิตโรคประสาทประมาณร้อยสสบคนน่าจะทําไงไปไปมาหมอที่เป็นจิตแพทย์เลยกลายเป็นโรคจิตตัวเองเลยตอนนี้ นี่นี่ปัญหาแล้วชุดก่อนหมอที่เป็นจิตแพทย์ก็ม า, าอาตมาเนี่ยบอกว่าอยากจะทำโครงการยกวัดไปไว้ที่โรงพยาบาลแลมาก็คิดไปคิดมามาว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าพุทธเจ้าบอกว่าครบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นนั้นใช่ไหม เอามาก็กลัวทีแล้ววันวันหนึ่งจะให้มาไปนั่งคุยกับพวกคนที่มีอาการทางจิตเสียขนาดนั้นแล้วแล้วก่อนหน้าทำไมไม่มาหาพระใช่ไหมแล้วนี่มาจนเ็าคุยกันคนละโลกกับเราแล้วบางคนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหน้าน่าคิดนี่เห็นไหมโทษของการไม่มาฝึ ก, กจิตกันเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ บางคนมาจนกลายเป็นเดี่ยงหมดแล้วกลายเป็นพอดูแล้วก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงไม่รู้จะซ่อมยังไงแล้วใช่ไหมจนอาการเหม่อลอยไปหมดแล้วเนี่ยได้ทำไงความสามารถไม่ถึงแล้วยอมคิดว่าอยู่ไกลตัวเราไหมบุคคลเหล่านี้อยู่ไกลตัวเราเปล่าอาคนคนที่มีอาการทางจิตอยู่ไกลตัวเราหรืออยู่ใกล้ตัวเรา เพอเพ้อเป็นเราเรายังไม่รู้เลยบางคนเนี่ยบางคนเป็นไปแล้วแต่ไม่เคยรู้ตัวว่าเป็นนะเอาคนที่เป็นเนี่ยเขาจะยอมรับว่าเขาเป็นไหมแล้วมีใครมาบอกว่าเราเป็นโรคจิตเนี่ยเราจะยอมรับไหมถ้ามีคนบอกว่าเ น, นี่ตอนนี้จิตคุณป่วยยอมรับหรือไม่ยอมยอมไหม มีคนเดินผ่านมาเนี่ยนีย่อย่างนี้เ็เรียกจิตคุณป่วยหนักแล้วคุณต้องรีบ ไ, ไปเข้าไปพบหมอเราจะยอมรับไหมยอมยอมไหมถ้ามีใครมาบอกยอมแบบนี้ยอมรับหรือไม่ยอมรับเอายอมไปที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาแล้วยอมไปถามเขาว่าเขามีอาการทางจิตเนี่ยเขาจะยอมรับไหมสรุปแล้วเขาป่วยทางจิตหรือเราป่วยทางจิต เอาใครกันแน่ป่วยย่อมเคยสงสัยว่าใครป่วยจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามีกันทุกคนนะให้ให้ให้ใหตระหนักอย่างนี้นะพระเจ้าบอกว่ามีมีอยู่ครั้งหนึ่งนกกุลปีตาคลหาบดีไปฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามานานแต่ท่านแก่แล้วในตอนนั้นนะ นักกุลปีตากัลยาวดีเนี่ยเป็นเคยเป็นเคยเป็นพ่อของพระโพธิสัตว์มันหลายภพชาติมาในปัจจุบันภพนี้ในชาติปัจจุบันเนี่ยท่านเลยอยู่ในสถานะเป็นผู้คุ้นเคยพระเจ้าดังก็เป็นโยมพ่อโยมแม่พระเจ้ากันเถอะทั้งสอง น, นักกุลปีตากัลมาตาก็วมดีตอนนั้นโอ้พระเจ้าไม่มาประทับในะที่ตรงนั้น ท, ที่ที่หมู่บ้านที่ท่านอยู่เนี่ย น, นันท่านก็คิดถึงพระเจ้ารักพระเจ้าเน้อแล้วท่านก็ป่วยด้วยร่างกายก็ออดออดแ อ, อ, อะกระเสาะกระแสเนี่ยท่านก็ไปพอพระเจ้ามาอุยท่านดีใจไปเฝ้าพระเจ้าบอกข้าแต่พระ อ, องค์ผู้จเจริญข้าพระ อ, องค์ไม่ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานานแล้วข้าพระเจ้ารู้สึกตอนนี้ข้าพระเจ้าแย่เหลือเกินสภาพร่างกายก็กระเสาะกระแสว่าด้วป่วยอยู่เป็นนิด คุณภาพจิตของข้าพเจ้าก็แย่แล้วเกินไม่ได้เห็นว่าสำมามพระเจ้าสดุปแล้วป่วยทั้งสองเลยไหมกายป่วยด้วยไหมเนี่ยกายก็ป่วยใจก็ป่วยพระบรมศ า, ศาสดาก็บอกดูก่อนกันเลยบวดีนักกุนปิดตากันลยบวดีบุคคลสําคัญว่าเวลานี้กายของเราไม่ป่วยเวลานี้ใจของเราไม่ป่วย เวลานี้กายเราป่วยเวลานี้ใจเราป่วยเนี่ยจะมีอะไรนอกจากความมืดบอดคือความไม่รู้จริงดูก่อนก็แล้วดีว่างั้นเธอกายนี้กระสับกระสายอยู่เป็นนิดจริงไหมจริงกายนี่ป่วยตลอดเวลาไหมป่วยหรือไม่ป่วยเราต้องหาอาหารหยอดตลอดเวลาไหมอาหารคือยานี่แหละโยม คือยาแล้วเวลานั่งเนี่ยต้องกระสับกระส่ายเป็นนิดไหมเนี่ยต้องเปลี่ยนตลอดไหมเปลี่ยนตลอดกระสับกระส่ะสายตลอดใจละ่ะคุณภาพจิตมีของเสียเข้าอยู่ตลอดไหมเต็มตลอดสรุปแล้วทั้งกายและใจเนี่ยป่วยเป็นนิดหรือไม่ป่วยสรุปแล้วกายก็ป่วยตอนนี้ใจเราป่วยด้วยไหมป่วยด้วยคนที่ใจไม่ป่วยคือผ้าละหัน คนที่หมดกิเลสทางใจแล้วฉะนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่จิตป่วยโกรธเขาหรือยังจะโกรธเขาหรือยอมรับยอมรับไปเถอะเพราะความจริงป่วยจริงจริงเมื่อรู้ว่าเรามีอาการจิตที่ป่วยอย่างนี้ใครที่จะเป็นหมอจะจะช่วยรักษาโรคเหล่านี้เราได้ใครใครที่จะรักษาโรคเหล่านี้ได้ เขาพระเจ้าไงพระเจ้าเป็นหมอตอนนี้หมอมีอยู่ใช่ไหมล่ะการที่คนป่วยไม่เข้าไปหาหมอเป็นความผิดของใครระหว่างหมอกับคนป่วยเนี่ยเป็นความผิดของใครอตอนนี้เราท่านทั้งหลายยอมรับวิยังกว่าเป็นผู้ป่วยยอมหรือไม่ยอมยอมแบบจำนวนหรือยอมแบบเข้าใจ ยอมแบบจำนนหรือยอมแบบเข้าใจยอมยอมรับไหมว่ายอมป่วยยอมไหมยอมแบบเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ากายก็ป่วยใจก็ป่วยให้สังเกต ด, ดูไหมเนี่ยเราจะต้องหาเสื้อผ้ามาปิดเพราะมันร้อนบ้างมันหนาวบ้างตาเราก็ต้องหาแว่นหาอะไรมาใส่มันป่ยวยหมดแล้วยอม อาหารก็ต้องกินอะไรต่างสารพัดต้องคอยดูแลต้องประครบประงมอย่างต่อเนื่องฉะนั้นท่านที่ป่วยกันทั้งนั้นแหละเนี่ยจิตของเราก็ซัดสายไม่ตั้งมั่น อ, อาการของเราเนี่ยอยู่ในระดับระดับไหนกันแน่เนอาการป่วยของเราเนี่ยถ้าเป็นโรคมะเร็งอยู่ในระดับหนึ่งสองสามสี่ระดับไหน เราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเราอยู่ในระดับไหนคิดว่าอยู่ระดับไหนถ้ามาบอกว่าเราอยู่ในระดับที่สี่เราจะเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมไม่เชื่อใช่ไหม คนที่เป็นโรคโรคระดับร้ายแรงคนเขาจะต้องให้ให้ยาตลอดเลยนะสายน้ำเกลือเสียบเข้าไปที่เพระมันกินอาหารเองไม่ได้เคยเห็นไหมสายน้ำเกลือสอดใส่ด้วยเครื่องช่วยหายใจด้วยอันนี้แปลว่าเขาป่วยหนักใช่ไหมเขาป่วยหนักถ้าถอดออกได้ไหมถ้าถอดแล้วอาการเขาจะพุ่พานทันทีไหม พกพานทันทีเอา้าตอนนี้เราถ้าจิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยจิตเราจะพกพามไหมเป็นไม่เป็นพกพานทันทีเลยั้มฉะนั้นต้องให้สมาธิตั้งอยู่ตลอดเวลาเลยไหมทุกเรื่องเลยั้มเราจะต้องเอายาคือธรรมโอสถของพระเจ้าเนี่ยม า, มาใส่ไว้ในกระแสะชีวิตตลอดเวลาหรือไม่หรือไม่หรือว่าถอดเป็นบางครั้งก็ได้ เรา ล, ลองถอดศีลออกไปที่ยวเวลาไหนถอดศีลออกไปถ้าเอาศีลออกเนี่ยตอนนั้นถ้าไม่มีศีลมันอยากจะฆ่าสัตว์ด้วยนะอยากจะลักทรัพย์ด้วยนะประพฤติผิดในกรรมนะถ้าไม่มีศีลเนี่ยจะพูดเท็จส่อเสียดทำยาเพื่อเจือใช่ไหมอันนี้มันจะต้องคอยเสียบไว้ตลอดเวลาไม่เอาศีลเนี่ยศีลนี่เป็นยานะเสียบไว้ในกระแสชีวิตตลอดเวลา ทีนี้ด้านจิตใจเอาพุกพ่านด้วยนิวรธรรมทั้งหลายในยการมฉันทาพยาบาทีนมิทะต้องใช้สมาธิเสียบไว้ตลอดเวลาไหมถ้าถอดออกได้ไหมเนี่ยถอดออกมากลายเป็นคนพุกพ่านดันดีไหมพุกพ่านหรือไม่พุกพ่านพุกพ่านเนอะยังไม่รู้พูดกี้ยอมเข้าใจว่าไม่รู้เนี่ยศีลนี่เป็นเป็นยาไหมศีลเป็นยาระงับโรคทางกายกยกรรมกับวจีกรรม สมาธิเป็นญาไหมเป็นยาระงับอาการทางจิตที่พุกพ่านนี่ความเห็นมีปัญหาอีกก็ใช้ปัญญาอีกมาเสียบเข้าไวอีกสรุปแล้วในกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเสียบไว้ตลอดเดวลาไหมต้องถอดออกได้ไหมเนี่ยยาสามชนิดเนี่ยถอดออกได้ไหมถอดออกเมื่อไหร่นี่ไม่น่าคบเนียเอางี้ถ้าโยมไม่มีศีลเนี่ย คิดว่าจะมีใครอยากอยู่ใกล้ยอมไหมอายอมไปบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยไม่มีศีลนะได้จังหวะเมื่อไหร่ฉันฆ่านะทราบใครวางไว้ไม่ดีฉันรักหมดเลยนะแล้วของใครฉันไม่สนใจฉันรู้ผิดกรรมได้ตลอดแล้วคําพูดอย่าเชื่อถือฉันนะฉันโกหกตลอดเลยนะแล้วถ้าสองสามคนฉันพูดให้แตกแยกกันทะเลาะกันทุกวันเน่ะแล้วเพ้อๆฉันด่าได้ทุกคนเพราะฉันพูดคําหยาบ แล้วคำพูดฉันจะเพ้อเจอไปตลอดถามว่าแค่ไม่มีศีลเหล่านี้มามาเสียบไว้ในกระแสชีวิตเนี่ยคนอย่างนี้น่าอยู่ใกล้ไหมไม่น่าอยู่ใกล้เรือบอกเอาละศีลฉันมีแต่จิตฉันพุกพ่านตลอดเพราะงั้นเธอะฉันอยากได้นูนน้นติดใจนู้นติดใจนี้กระทบกระทั่งนี้ฉันคิดโกรธอาฆาตคนตลอดในใจฉันเนี่ยและฉันหดหูท้อถอย ความดีฉันไม่อยากทำแล้วฉันฟงซ่านลำคาญใจตลอดแล้วฉันลังเลสงสัยในในความดีแต่ถ้าความชั่วฉันไม่สงสัยอะฉันลังเลความชั่วตลอดถามว่าคนที่จิตแบบนี้อยากอยู่ใกล้ไหมย่อมอยากอยู่ใกล้คนจิตแบบนี้ไปแล้วนี่คืออาการป่วยนะยอมนะนี่าการป่วยงั้นถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราป่วยเนี่ยเราจะไม่เข้าไปหาหมอ ชั้นใดถ้าเราไม่ยอมรับว่าจิตของเราป่วยเราจะไม่เข้าเฝ้าพระเจ้าหรอกเราต้องยอมรับด้วยยานปัญญาด้วยความเข้าใจว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้พระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งเป็นคติเป็นเครื่องนําทางข้าพเจ้าด้วยเธออาการป่วยของข้าพเจ้ากํำเริ่มมากแล้วข้าพเจ้ามาหาหมอคือพระทเจ้าเนี่ยต้องการให้พระเจ้ารักษาโรคให้ข้าพเจ้าด้วยใช่ไหม ไม่ใช่เราเอ้ยเราอยู่ดีๆเนี่ยเราไม่ได้รู้ตัวเองเลยเนี่ยถ้าไม่รู้จักตอนนี้ยุ่งนะพระเจ้าก็ต้องรู้จักตนเองก่อนใช่ตอนนี้เริ่มรู้หรือยัง <c oughs> ยอมยากมหมยากไห ม, า ก, ไหมการจะเข้าใจตัวเองเนี่ยถ้ายอมรู้ว่าตนเองเป็นผู้ป่วยจริงๆแล้วยอมไปหาหมอ ยอมจะตั้งใจฟังหมออย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือไม่ยอมคิดว่าคนที่เขาไปตรวจเจอโรคมะเร็งระยะแรกเนี่ยระยะหนึ่งระยะสองระยะสามเนี่ยเวลาเขาไปคุยกับหมอเนี่ยถ้าหมอบอกว่ารอดถ้าคุณตามทําตามที่ฉันบอกถามว่าเขาพร้อมถวายตัวถวายใจที่จะทําตามทุกอย่างเลยไหมยังมีเงื่อนไขอะไรไหมเขาจะมีเงื่อนไขไหมไม่มี ให้เลิกบุหรี่ก็เลิกให้เลิกดูละครก็เลิกให้ทำอะไรนน่นอนเอาละถึงบอกว่าถ้า ย, ย, ยมผู้ปฏิบัติประโยคาวจรทุกท่านเนี่ยถ้ายังไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยยากที่จะฝึกสมาธิได้ถ้าไม่ยอมรับเนี่ยยาก ยากที่จะมาเจริญวิปัสนาปัญญาเพราะคิดว่าเราไม่มีไม่มีอะไรอะ่ะเราไม่ใช่คนป่วยอะ่ะแต่ตอนนี้เอามาเนี่ยใช้คําสอนพระเจ้ามาตรวจตรวจสภาพจิตใจเราให้ดูว่าจริงๆเรามีใจเราป่วยจริงนะเอามา ค, คู่ถามว่ากามไม่ชันทะมีอยู่ไหมความอยากได้อยากเอาความพอใจในการความเพ่งเล็งอยากได้เนะี่ยความ อยากได้ในสีเสียงกลิ่นรสผ o t h พ p ะอันน่าปราถนาหน้าไขา่หน้าพอใจชวในให้รักชักให้ไข่พาใจให้กำหนัดเรามีไหมอาการจิตของเราเป็นแบบนี้มีไหมอันนี้เขาเรียกจิตป่วยหรือจิตไม่ป่วยจิตมันป่วยเราต้องยอมรับก่อนนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันถึงจะเชื่อพทธเจ้าถ้าไม่ยอมรับยังไงยอมก็ไม่เชื่อพรธเจ้าเพราะยอมก็บอกว่าฉันไม่ป่วย และในในพุทธบริษัทหรือในกลุ่มบุคคลทั้งหลายเนี่ยเขาเชื่อเขาเชื่อมั่นในพระเจ้า ว, ว่าเออพระพุทธเจ้าพูดนะจริงพระพุทธเจ้าใช้อะไรตรวจโลกใช้สัพพัญญตยานตรวจไปในกระแสชีวิตของเราเนี่ยเห็นหมดว่าเออเนี่ยอาการของเรามีปัญหาปัญหามากด้วยถ้ายิ่งปล่อยไปกาเริบหรือไม่กาเริบกาเริบและจะเสียหายหรือไม่เสียหายก็บอกเสียหาย เออถ้ายอมรับอย่างนี้ประการต่อมาเอา้าความขัดเคืองแค้นใจความขัดใจแค้นเคืองเกียดชังความผูกใจเจ็บมองการมองในแง่ร้ยายการคิดร้ายมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูตลอดถึงความโกรธความหงุดหงิดความฉุนเฉียวความขัดใจความไม่พอใจต่างๆจิตที่กระทบนั้นกระทบนี้เป็นหรือไม่เป็นเนียนเป็นหรือไม่เป็นถ้าเป็นเนี่ยแสดงว่า ป่วยไงยอมนี่แหละพระธเจ้าก็บอกว่าเธอเป็นไหมถ้าไม่เป็นการอุบัติเกิดขึ้นของพระธเจ้าก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับพวกเธอนะแต่พราะเธอเป็นโรคนี้แหละการอุบัติเกิดขึ้นของพระทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์กับพวกเธอแล้วเวลาพระธเจ้าบอกว่าเวลาพวกเราป่วยมาหาพระทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกถูกต้องแล้วตถาคตบำเพ็ญบรารมีมา30มสิบทัสก็เพื่อคนป่วยอย่างพวกเธอนี่แหละ แล้วเมื่อเธอปฏิบัติตามที่ตถาคตบอกแล้วเนี่ยอาการป่วยของเธอจะหายอย่างเด็ดขาดให้เธอเชื่อมัน่นเชื่อไหมเออเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราเชื่อมัน่นพระเจ้าแบบนี้ไปเล่าถ้าไม่เชื่อชีวิตไม่ขวนขวายอา้าวถามหน่อยใครคิดว่ายังไงฉันก็ไม่ป่วยมีไหมไม่ใช่ฉันไม่ป่วยหรอก ฉั่เนี่ยเป็นคนที่สุขภาพจิตท่านดีไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลเลยคิดอย่างนั้นไหมนี่ยอมยอมรับแล้วนะอะยอมรับแล้วประการต่อไปคือว่าอุทะจากูจะสังเกตดูว่าถ้าจิตเราไม่ป่วยจิตก็จะต้องคอนโทรลได้สิเช่นให้มาตั้งมั่นตรงนี้ก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ไปที่อื่นใช่ไหม จะน้องไปตรงไหนก็ต้องได้ใช่ไม่ใช่และตอนนี้มันเป็นไปตามปรารถนาไหมลหเอาเอามาตั้งมั่นทนี่ลมกระทบเข้ากระทบออกเนี่ยสามารถตั้งได้ถึงชั่วโมงไหมถึงไม่ถึงแบบไม่ไปทั้งอื่นเลยอะ่ะยังยังซัดสายอยู่ยอมได้ไหมอันนี้แปรยอมรับยังว่าป่วยไหมจิตป่วยนะนี่เขาเรียกว่า ฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจเขาแยกเป็นสองความหมายนะไอโ้โรคสองโรคเนี่ยอุทธจักกับกุกจุจจะอุทธจกักรเขาแปลว่าจิตฟุ้งซ่านไม่สงบฟุ้งซ่านไม่สงบก็คือจิตสายพ้าพ่านไปสายก็ได้สายก็ได้ไดพลานไปก็ได้ผ้าก็ได้นี่เขาเรียกอุทธจักกุกุกจจะเขาแปลวุ่นวายใจอันนี้คือราคาญใจ เอาไงดีเราแวงอนี่ยยมเคยเราแวงไหมเราแวงเคยเป็นไหมเราแวงเนี่ยเราแวงเดือดร้อนใจยุ่งใจแล้วกลุ้มใจเคยเป็นไหมยมเอออย่างนี้นะบอกเราแหวนยมอาจจะไม่เข้าใจเดือดร้อนใจเป็นไหมยุ่งใจเหลือเกินวันนี้ยุ่งใจมากเป็นไม่เป็นกลุ้มใจเราเป็นไหมกังวลใจเอาเนี่ยกังวลใจ นี่ลักษณะนี้คือจิตป่วยนี่แหละจิตป่วยยอมเคยระแวงไหมเคยไม่เคยกลุ่มใจกังวลใจเดือดร้อนใจนั้นจิตที่ถูกอุเทจกูดจากครองามมันพล่านมันย่อมค ว, ว้างไปไม่อาจสงบได้ก็ไม่เป็นสมาธิได้นี่อาการจิตมันป่วยนี่เข้าใจแล้วนะนี่คือพระสภาพจิตที่ป่วยแล้ว อภรรการที่ต่อมาคือวิจิกิฉาความลังเลสงสัยเครือบแคลงใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็คือที่เกี่ยวกับพระาศาสดาพระธรรมพระสงฆ์ที่เกี่ยวกับสิกขาสามอย่างนี้คือว่าเนี้ไม่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย พระองค์สร้างบา ร, รมีมาเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าจริงไม่เชื่อยอมเคยไปหาหมอแล้วเราไม่มั่นใจที่หมอเนี่ยเคยไหมไม่มั่นใจแล้วลองสังเกตดูนะว่าเราเนี่ยที่มาพูดแต่เมื่อวานนี้บอกว่าพุทธบริษัทส่วนใหญ่ ไม่เชื่อมั่นพระพุทธเจ้าไม่เชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเป็นหมอที่ดีที่สุดในจักรวาลเราไม่เชื่อมั่นท่านพอไม่เชื่อมั่นดูได้ตรงไหนดูได้เวลาพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเราเนี่ยมีโรคสัตโรคใน่ป่วยเราปฏิเสธว่าเราไม่ป่วยเราไปถามอ้ยอมเดินออกไปบอกว่า อ้เนี่ยคุณป่วยนะเขาจะโกรธเราทันทีนะเขาจะโกรธเราทันทีว่าหาว่าไปว่าเขาเออเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเพราะเราไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อมั่นหมอพระเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาตอนที่ยอมจำประวัตินางปตจลาได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไม่ได้ ไม่ได้เอาเล่าอีกฟังนิดนึงนางปตาจราเนี่เป็นลูกสาวของเศรษฐีอยู่ยในเมืองสาวสถีเนี่ยต่อมาเนี่ยนางเกิดไปหลงรักกับคนใช้นี่เป็นเศรษฐีมากถูกเลี้ยงดูอย่างดีเนี่ยแต่ไปหลงรักกับคนใช้ไปไปมามาจะทํำยังไงอ่ะสองคนจะอยู่ด้วยกันได้ก็เลย ชวนกันหนีออกจากบ้านเข้าใจไหมหนีก็ไปอยู่เมืองอื่นก็ไปอยู่ด้วยกันชายหญิงอยู่ด้วยกันมีลูกไหมก็มีพอมีลูกก็ตนเองทุกข์ด้วยทรมานด้วยความจนด้วยก็อยากไปหาพ่อหาแม่สามีก็ไม่กล้าไปก็หนีสามีไปก็ไปคลอดลูกนะสามีตามไปทันก็กลับมาคนที่สองพออยู่สักพักหนึ่งตั้งคันอีกแล้ว ก็คิดถึงพ่อแม่ก็รีบไปก็พากันไปไปกลางป่านั่นแหละสรุปไปกลางป่าเกิดฝนตกใหญ่ตนเองก็ปวดท้องตอนกลางคืนก็สามีก็ไปหาจะไปหาอุปกรณ์อะไรต่างๆมาช่วยนี่เลยพอไปก็ไปถูกงูกัดตายเนี่ยแหละตนเองก็ไม่รู้ก็เลยเอาลูกคนโตคนหนึ่งตนเองก็คลอดลูกใหม่ก็ต้อง คลอดมาก็ต้องทำคลอดเองฝนก็ตกกลางคืนด้วยอยู่ในป่าเปี่ยวด้วยวันทาคลอดเบีดเสร็จแล้วทําอะไรต่อตนเองก็ต้องคุกเข่าให้ลูกมาอยู่ใต้ข้างล่างเนี่ยกอดลูกอยู่อย่างนั้นทั้งคืนฝนก็ไม่ยอมตกตัวซีดเหลืองเข้าใจไหมลองคิดดูที่ว่านางจะทรมานไหมฝนตกทั้งคืนเนี่ยทรมานไหมแล้วก็ต้องกกลูกใหญ่อย่างนั้นเนี่ย เหมือนกับแม่ไก่กกลูกอะให้ลูกอยู่ใต้อกอย่างนั้นน่ะตัวก็ซีดเลือดก็ตกตัวก็เหลืองฝนตกทั้งคืนพอตื่นเช้าอพอเช้าขึ้นมาก็อุ้มลูกตัวโอ้โหเด็กก็เหมือนเด็กก็ยังไม่ตายอตอนนั้นนี่ยเหมือนกับก้อนเนื้อแดงๆอย่งัง้นนะ่ะผ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีที่จะห่มให้ลูกเข้าใจไหม เดินไปได้หน่อยก็เห็นสามีตายอยู่บนจอมปลวกถูกงู ก, กัดตายอุ้มร้องไห้ไม่รู้จะทําไงแล้วร้องไห้รีบเดินออกจากป่าให้ได้ก่อนเดี๋ยวเกิดฝนตกมาอีกยุ่งใหญ่ก็จูงลูกคนโต อ, อุ้มลูกคนเล็กเดินไปไปเจอแม่น้ําน้ำมันไหลล้นมาเนี่ยใช่ไหมฝนตกเนี่ยเอาข้ามไม่ได้ทําไงเดียก็เอาลูกคน บอกลูกคนโตว่ารอฝั่งนี้เดี๋ยวแม่ไปฝั่งนู้นเอาลูกเอาน้องไปก่อนก็ค่อยๆน้ํำก็จะแค่คอชูลูกปะชูปะชูชูเดินเดินเดินข้ามไปเอาลูกไปวางไว้อีกฝั่งเอาใบไม้มาห่อไว้วางเข้าไว้ก็รีบเดินมาพอเดินลุยน้ํามาได้ครึ่งคลองเนี่ยไอเหี้ยวตัวหนึ่งมันเห็นเด็กคนเนี้ย ตัวแดงๆเนึเนื้อๆนะเหยี่ยวตัวใหญ่ๆนะเนี่ยก็มาเฉียวปุ๊บบินขึ้นไปนางเห็นเป็นไงก็ร้องร้องเรียกกวักมือร้องเรียกไอ้ลูกคนโตก็นึกว่าแม่เรียกก็โดดจมลงไปในน้ำเอาล่ะสิตรเนี้แทบสุดัหมสามีตายในป่าเปียวลูกคนเล็กถูกเหยี่ยวเฉียวไป ตายลูกคนโตก็โดดน้ําตายไปสามแล้วนะโอ้โหโท ม, มนัดกินแล้วคือปกติเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันป่วยอยู่แล้วเข้าใจไหมมันมีราคาโทสะโมหะมีมานาทิถิมีกิเลสอยู่ในใจป่วยอยู่แล้วเวลาไปได้เรื่อ ง, เ, องเสถียรใจที่ทําให้กิเลสมันพุ่พ่านกันอาการป่วยกําเริบขึ้นไหมอาการป่วยยิ่งกําเริบเห็นชัดเลยออกมาแล้วตั้งสีหน้าแล้วแววตาแล้ว ป่วยจัดเลยตอนนี้ลองเพิ่มเพิ่ไปเดินกระเสาะกระเสิงไปแล้วเหมือนกับคนบ้าแล้วเหมือนแล้วพอไปเข้าไปในเมืองก็จำบ้านตัวเองไม่ได้แล้วไปเจอชายคนหนึ่งเดินมาก็ถามเขาว่าเอาพ่อถามชื่อพ่อตัวเองชื่อแมงตัวเองนี่เป็นเศรษฐีเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนชายคนนั้นก็ย้อนถามบอกว่า เมื่อคืนเนี่ยฝนตกพายุใหญ่เธอไม่รู้หรือไงไปอยู่ที่ไหนนางก็บอกรู้ฝนที่ตกก็ดีเกิดพายุใหญ่ก็ดีเนี่ยไม่ใช่เพื่อใครเลยเพื่อฉันโดยเฉพาะคือตกทำลายกระแสะชีวิตฉันโดยเฉพาะแล้ครอบครัวฉันโดยเฉพาะเธอคิดอย่างนั้นเธอจึงพูดคํานั้นนั่นแหละที่เกิดพายุใหญ่เกิดฝนตกใหญ่อย่างนั้นแหละที่บ้านเศรษฐีเนี่ยโดนพายุพัดพัง ทั้งหลังเลยทั้งสาเษถีก็ตายภรรยาก็ตายลูกชายก็ตายนางได้ยินแค่นั้นอนะฟุบหลงลืมสติไปเลยไม่รู้ตัวเลยผ้าหลุดเลยกลายเป็นคนแก่ผ้าเดินเลยตอนนี้อุทานว่าสามีก็ตายอยู่ในป่าเปี่ยวลูกคนเล็กก็ถูกเดี่ยวเฉียวไปลูกคนที่ ลูกคนโตก็โดดน้ำตายพ่อแม่พี่ชายก็ถูกไฟไหม้ในเชิงแตะก่อนร้องไปร้องได้แค่นี้ไปเรื่อยๆืยืยกลายเป็นคนบ้าไปแล้วนี่อย่างเงี้ยหลายคนถึงจะมองว่าบ้าใช่ไหมแต่จริงๆอาการบ้าเนี่ยมีก่อนหน้านั้นไหมอาการป่วยทางจิตมีก่อนหน้านั้นไหมมีก่อนหน้านั้น แต่พอได้สิ่งปัจจัยเหตุปัจจัยทั้งหลายมากระตุ้นเตือนนี่แหละอาการป่วยมันก็คือพุกผ่านเข้ามานางก็เพ้อไปไปเดินเข้าไปที่วัดเนี่ยตอนนั้นพระบรมศาสดาแส ด, สแดงธรรมอยู่ไม่ยอมสแสดงธรรมพระเจ้านั่งคอยอยู่พระเจ้ารู้ว่าเนี่ยว่านางจะมาแล้วคนป่วยอาการแย่จะมาหาหมอแล้วหมอก็นั่งคอยอยู่คอย พอเห็นพพุทธเจ้าก็ทักก่อนทักบอกดูก่อนปตาจลาเธอจงกลับคืนสติขึ้นมานางก็ได้สติพอฟังพระสุรเสียงของพุทธเจ้าแล้วก็ได้ผ้าห่มจากคนที่ฟังทำเอามาห่มกายแล้วเธอก็เดินเข้าไปก็กราบพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าช่วยข้าพระเจ้าด้วยข้าพระเจ้า ทุกข์เหลือเกินสามียงข้าพเจ้าก็ตายในป่าเปียวลูกคนเล็กก็ถูกเยี่ยวเชี่ยวไปต่อหน้าต่อตาลูกคนโตก็จมน้ำตายต่อหน้าต่อตาพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเผาไหม้ในเชิงตะกอบ้านพังตายหมดแล้วขอให้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งให้ข้าพเจ้าด้วยพระเจ้าบอกดูก่อนป ต, าาาติจลาตถาคตบำเพ็ญบารมี สามสิบทัศนับพบนับชาติไม่ท้วนก็เพื่อมาช่วยเธอนี่แหละก็เพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตอย่างเธอนี่แหละพราะพูดอย่างเงี้ยนางเชื่อมั่นไหมว่าท่านพวกนี้ช่วยเราได้จริงเชื่อไหมแล้วเราเชื่อไหมว่าเนี่ยที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันเนี่ยพระเจ้าเนี่ยริดป่วยกันทุกวันเนี่ยพระเจ้าเป็นหมอจะช่วยเราได้จริงถ้าไม่เชื่อ ไม่มีทางที่เราจะน้อมฟังทำและปฏิบัติตามหรอกเราจะไปปฏิบัติตามคนอื่นไปหมดแหละแต่เราจะไม่ปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอนางได้ฟังอย่างนั้นแล้วเนี่ยนางก็ได้สติฟื้นแล้วก็พุทธเจ้าบอกยังไงเธอทำตามมาเลยและตอนนี้เธอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วเธอปรินิพานแล้วเธอไม่ต้องมาทุกข์แล้วเธอหายจากโลกจิตแล้วหายจากอาการป่วยแล้ว แต่ตอนนี้พวกเรายังไม่หายถามว่าเรากับนางปต a จรลาต่างกันตรงไหนใครที่มีลูกชายเดี๋ยวลูกชายจะต้องตายไหมตายมีลูกสาวลูกสาวก็ต้องตายมีสามีก็ต้องตายมีพ่อแม่ก็ต้องตายมีพี่ชายก็ต้องตายก็าสัตว์เกิดขึ้นมาก็จะต้องประสบกับความพรัดภากอย่างนี้กันหมดนะ่ นี่ต่างอะไรกันใช่ไหมเล่ายองเข้าใจคํานี้ไหมเพราะเราเนี่ยมาผสบกับภ ah ัยมหันตภัยกันนะเรานี่มีมหันตภัยอยู่เฉพาะหนะ้ามันตภัยคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่มหันตภัยคือความเจ็บไข้มหันตภัยคือความตายมันตภัยก็คือความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลาย เราจะต้องเจอกันอย่างนี้ตลอดเวลาและแต่ตัวเราเองเนี่ยก็มีอาการพุกพ่านทางจิตอย่างนี้ตลอดเมื่อเราได้เนี่ยเราพยายามป้องกันกันทุกอย่างเห็นไมแต่มันก็ไม่เคยอยู่ได้จริงเลยนะเอาที่นั่ ง, น, งนั่งอยู่เนี่ยใครไม่เคยมีญาติตายบ้างมีไม่เล่าตายทุกคนใช่ไหมปู่ตายญายายก็ตายกันมาหมดแล้วพ่อแม่ ลุงป้านะอาทั้งหลายพากันล้มหายตายจากกันไม่มีใครเลยที่ไม่มีตระ ก, กูลหรือมีญาติที่ไม่เสียชีวิตเราจะไปต่างอะไรกันนาะงวตาเจลาแต่เรายังเราไม่คิดว่ามันเป็นความทุกข์ถ้าเราคิดว่ามีเป็นความทุกข์เป็นมหันต์แทุกข์มันเป็นความเจ็บป่วยของสัตว์โลกนี่นะแต่เรารู้ว่าพระเจ้านี่แหละจะแก้ปัญหาให้กับเราได้ยอมเชื่อไมพระเจ้าแก้ปัญหาให้เราได้จริงเชื่อไหม ถ้าเชื่อมัน่นทีนี้ใจถึงจะน้อมในการที่จะฟังธรรมพอฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกยังไงท่เ น, นี้ยอุยจิตมันเปิดแล้วทเ น, นี้ยยอมเปิดหรื อ, อยังมั่นใจในพระพุทธเจ้าหรื อ, อยังทตเ น, นี้ยไม่ใช่ว่าจริงหรือเฮ้ยว่าพระเจ้าว่าเราป่วยเนี่ยจริงหรือเราไม่เชื่อว่าเราป่วยนะเนี่ยอ้าวถาม ยอมยอมคิดว่าเราป่วยไหมเอาใครคิดว่าไม่ป่วยยกมือขึ้นที่ฟังมาขนาดนี้แล้วยังไงฉันก็ไม่ใช่คนป่วยยกมือขึ้นที่มีไหมคิดจริงๆหรือเปล่าว่าเราป่วย <c oughs> อามายังยังยงมองว่าตัวเองป่วยเลยทำไมอามาทังบวช ทำไมมาถึงปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมาจะแก้ปัญหาความป่วยขอตนเองนี่แหละอาการที่จิตของตนเองมันป่วยนี่แหละมาก็ต้องมาแก้มาเชื่อเชื่อมัน่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นหมอและเชื่อมัน่นว่าตนเองเป็นคนไข้แล้วมาจะจะถือว่าเออเราจะต้องเป็นคนไข้ที่ดีคือจะปฏิบัติตามคําบอกของหมอทุกอย่างอะไรเป็นของสแสลงจะไม่ไปกินหรือจะไม่ไปทําอย่างนั้น เช่นพุทยาบอกสิ่งนี้ไม่ควรก็ไม่ควรสิ่งนี้ควรก็ทำตามที่พระองค์ทรงบอกไว้เนี่ยก็อยกเป็นคนไข้ที่ดีถามว่าเมื่อเป็นคนไข้ที่ดีเนี่ยจะหายจะโรกไหมหายใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อไปก็คือลักษณะจิตที่เป็นสมาธิอาทิจิตการที่เราจะฝึกอธทิตจิตตะศิขาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าในชั้นศีล ในชั้นศีลต้องฝึกมาดีก่อนไหมดีไมด่ดีกายกรรมวจีกรรมพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายและทางวาจาใช้อะไรเป็นตัวกากับใช้ศีลแล้วตอนนี้ศีลกากับควบคุมจัดแจงได้ดีเพียงพอแล้วหรื อ, อยังพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายกรรมและวิจีกรรมเนี่ยตัวกุศลศีล กุศลศีเนี่ยมาควบคุมจัดแจงกํากับดูแลพฤติกรรมทางกายได้ดีหรือยังทางวาจาได้ดีหรือยังกายกรรมที่เรามีการเคลื่อนไหวกายออกไปทั้งหลายเหล่านี้ยเป็นไปกับการเบียดเบีย น, รยนหรือไม่เบียดเบียนเบียดเบียนไหมก่อเวรบ้างไหมได้ก่อเวรภัยบ้างไหมเอากายกรรมที่เรามีการเคลื่อนไหวไปเนี่ยไปก่อเวรภัยบ้างไหมหรือว่าไม่มีเวรภัยเลย เข้าใจเขาว่าเวภา้ภัยไหมไปฆ่าบ้างไหมใช้กายไปฆ่าไปเบียดเบียนเขาบ้างไหมถึงไม่ฆ่าก็คือไปทําให้คนอื่นเขาพิกลพิการเนี่ยเคยเคยไหมเอามาปฏิบัติเนี่ไม่มีการฆ่ายุงตบยุงฆ่ามดตบม ด, มดอะไรมีบ้างไหมไม่มีนะเบียดเบียนใครก็ไม่มีนะลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกรมกรมอ้าวทางวจีกรรม่าพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเฟิเจอร์กายสะอาดดีไหมมั่นใจไหมคิดที่ไรปลื้มใจไหมวาจาสะอาดดีไหมกายกรรมวัจีกรรมก็สะอาดหมดจดใช่ไหมไม่ได้ไปทำบาปกับสรธรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายให้เกิดขึ้นอา้าวเีนี้ข้อปฏิบัติ ในการอยู่ร่วมกันเอื้ออาทรกันดีไหมมองกันด้วยเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไหมหรือเหมือนน้ากับน้ามันอันนี้เป็นชั้นศีล น, นะชั้นศีลนนเนี่ยคือมองกันด้วยปี่ยะจักสูยอมเข้าใจคาว่าปี่ยะจักสูไหมมองกันแล้วมีเมตตา มีเมตตามีความรากักความปรารถนาดีความเอื้ออทอนแบบจับจิตจับใจเกิดขึ้นจริงๆเ่ยครุณาขนขวายช่วยเหลือกันเป็นไหมมุติตาพลอยเย็นดีเมื่อบุคคลอื่นเนี่ยประพฤติปฏิบัติหรือทํากิจที่ดีงามก็ส่งเสริมการสนับสนุนเกือ้อหนุนกันเป็นแบบนั้นไหมเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยหรื อ, อใครอย่ามายุ่งในอาณาจักรของฉันมากนะฉันก็มีอัตตาของฉันอยู่เนี่ยใครมา เอออามามีอยู่วันหนึ่งอามาก็นั่งนั่งอยู่บนกุฏิไอ้ที่มันก็โลง่งๆนะเนี่ยอามาก็เห็นในสุ น, นัขอยู่สองกลุ่มนะเนียเว้ยสองกลุ่มมันไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยถูกกันอีกตัวหนึ่งมันวิ่งมาก่อนแล้วมันก็มาปัสสาวะปุ๊บปุ๊บปมันปัสสาวะทําทเขตแดนมันก็ไว้ อีตัวหนึ่งวิ่งเข้ามามันวิ่งเลยที่เขตแดนมานะไอ้พวกกลุ่มนี้วิ่งเขาจะจัดการทันทีเลยโย่เออแสดงเขามีเขตของเขาเนะี่ยยังเข้าใจไหมเออมันจะมีเขตแดนของมันอยู่นะไอ้พวกสุนัขเนี่ยเออถ้าเขตตรงนี้เป็นเขตใครแล้วมันจะเริ่มมันจะไม่กล้าล่วงล้ำเขตแดนกันเออกลุ่มสุนัขหรือสตัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเป็นอย่างนี้หมดเลยไม่ว่าจะเสือไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเขาจะมีเขตแดนของเขาแบบเนี้ย เพราะกลุ่มสัตว์เดรัจฉานเขาอยู่ด้วยอะไรสัญชาติญาณเขาจะมีพกกรร ม, มาสัญญาใช่ไหมกรา ม, มาสัญญาก็คือเสพกามมีโครจระสัญญารู้จักหากินแล้วก็มีมรณะสัญญากลัวตายก็มีสัญญาสามนะแต่บรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาไม่มีธรรมะสัญญาคือเขาแยกไม่ออกว่าไม่ควรเบียดเบียนกันหรือไม่เบียดเบียนกันเขาแยกไม่ออก เพราะคุณธรรมในใจก็ไม่มีแต่มนุษย์เนี่ยถ้ามนุษย์อยู่แค่สัญชาตญาณก็อยู่เหมือนสัตว์เดรัจฉานนี่แหละเพราะฉะั้นก็จะไม่อยากให้ใครมาล่วงล้ำสิทธิของตนเองมากเกินไปใช่ไหมตนเองก็กําหนดกฎเกณฑ์ของตนเองตนเองเป็นอย่างนี้ใครอย่ามายุ่งกับฉันนะถ้าใครมายุ่งกับฉันมากเนี่ยเอ้ยฉันโกรธแล้วนะจะฉันฟ้องล้องนะฉันอะไรต่างเยอะแยะหมดเสร็จหมดเลยใช่ แต่พุทธบริษัทเนี่ยทำลายเขตแดนนะถ้าพุทธบริษัทเนี่ยก็คือจะทำธรรมาสัญญาเกิดขึ้นเวลาอยู่ด้วยกันก็จะอยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนใช่หมมีการช่วยเหลือเพราะมีตัวกุศลศีลเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมประสานมีเมตตากายกรรมต่อกันรักปรารถนาดีเอื้อทอน วจีเมตตาวจีกรรมต่อกันก็คือพูดกันก็พูดด้วยความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนเมตตามนโนกรรมคิดถึงกันก็คิดด้วยเมตตามีความรักความปรารถนาดีและเอื้อทอนสาธารณภคีก็คือแบ่งปันมีอาหารมีท ร, รัพย์มีของแบ่งปันช่วยเหลือเจือจานซึ่งกันและกันด้วยความเ อ, อ, อ, อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประโยชน์ศีลเห็นไหมพัฒนาสู่ชัน้นศีลก็มีศีรลรสามัญญาตา ก็คือประพฤติปฏิบัติศีลเข้าใจชั้นกุศลศีลดีกายกรรมวจีกรรมออกมาก็เอี่ยมอ่องพองแผ่สะอาดไม่แปบเปื้อนด้วยบาปอากุศลธรรมทั้งหลายแปลว่ารักษาพฤติกรรมที่ออกมาทางกายและวาจาไม่ให้เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายก็แปลว่ารักษาโรคระดับกายกรรมวจีกรรมได้โดยการใช้ตัวกุศลศีลโอสถคือศีล น, นี่แหละรักษาก็กลายเป็นผู้ไม่พกพานและทางกายและวาจา ทีนี้พอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยแปลว่าปัญหาด้านพฤติกรรมทางกายกับวาจาเนี่ยไม่ต้องแก้ไขแล้วเพราะมีตัวกุศลศีลปักดูแลอยู่ใช่ไหมแล้วก็คอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาส่วนไหนจะขาดเกินส่วนไหนที่มันบกพร่องก็สมาทานยับยัง้งและคอยระมัดระวังตรวจสอบไว้ก็จะมีความสุขเหมือนพระราชานั่นแหละที่ปกครองประเทศสาศ พระราชาที่ปกครองประเทศราชนั่นแล้วเมื่อประเทศนั้นมีอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมก็มีความสุขต่อมาในชั้นของสมาธิเอาแล้วแเนี่ยเมื่อชั้นของกุศลศีลดีแล้วต่อไปก็ชั้นของปัญญาความรู้ความเข้าใจพอรู้เข้าใจเวทเสร็จว่าเออเราจะต้องฝึกสมาธิ ข, ขั้นต่อไปก็คือจิตที่เป็นอธิจิตตสิก ข, ขาเพราะมีอธิศรัสิกขาเป็นตัวเกื้อนหนุนก็หมายถึงภาวะที่จิตที่มีคุณภาพ ก็คือสมรรถภาพที่ดีที่สุดเนี่ยจิตที่เป็นสมาธิคุณภาพจิตเนี่ยหนึ่งแข็งแรงจิตที่แข็งแรงเนี่ยมีพลังมากท่านเปรียบเหมือนน้ากระแสน้ําที่ถูกควบคุมให้พุ่งไหลไปทางทิศ ท, ทางเดียวเนี่ยมีกําลังกว่าน้ําที่ถูกปล่อยให้พากกระจายออกไปใช่ไหมเนี่ยจิตที่เป็นสมาธิจะมีพลังมากประการที่สองก็คือราบเรียบสงบซึง้งเหมือนสระน้ําบึงใหญ่ที่มีน้ํานิ่งไม่มีลมต้อง ไม่มีลมพัดต้องไม่มีสิ่งรบกวนให้กระเพื่อมไหวประการที่ 3, สมใสกระจ่างมองเห็นอะไรได้ชัดเหมือนน้ำนี่แหละยอมที่มันสงบนิ่งน่ยน้ำที่สงบนิ่งไม่มีเรียวขึ้นไม่มีฝุ่นละอองเพราะอะไรเพราะฝุ่นละอองนั้นมันตกตะกอนนอนก้นหมดแล้วน้ำก็ใสประการที่สี่ก็คือนุ่มนวลควรต่อการงานเหมาะแก่การใช้งานเพราะไม่เครียด ไม่กระด้างไม่วุ่นไม่ขุนมัวไม่สับสนไม่เร่าร้อนและก็ไม่กวนกวยนี่คุณภาพจิตมันดีอย่างนี้แหละทีนี้จิตที่เป็นสมาธิขั้นสมบูรณ์นั้นหนึ่งเรียกว่าสมาฮิตะก็คือตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นในลมเดียวก็ตั้งในนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนเนี่ยนะประการที่สองคือปริสุทธะก็คือบริสุทธิ์ประการที่สมปริโยธาตาก็คือผ่องใสเห็นไหม หนึ่งตั้งมั่นสองบริสุทธิ์สามผ่องใสสี่โปร่งโล่งเกลี้ยงเกลาห้าปราศจากสิ่งมัวหมองหกนุ่มนวลเจ็ดควรต่อการงานแปดอยู่ตัวไม่วอกแวกไม่วันไหวเนี่ยพร้อมด้วยองค์แปดประการเหล่านี้เขาเรียกสมรนนะาาคตจิตนะจิตพร้อมด้วยองค์แปด ทีนี้จิตที่พร้อมด้วยองค์แปดเนี่ยท่านว่าเป็นจิตที่มีองค์ประกอบเช่นนี้เหมาะแก่การเอาไปใช้ได้ดีที่สุดไม่ว่าจะไปใช้งานทางด้านปัญญาเพื่อจะรู้เข้าใจอย่างชัดต้องและสร้างพลังจิตให้เกิดมีพลังอย่างมากมายสิ่งที่สําคัญที่สุดในที่นี้ก็คือว่ากรรมนิย่นี่แหละ ที่ควรแก่งานหรือเหมาะแก่การเอาใช้งานงานที่ถูกต้องตามหลักที่พระเจ้าพึงประสงค์ก็คือทางปัญญานี่แหละการใช้จิตที่เป็นสมาธิเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาเอามาเป็นสนามเป็นเครื่องปฏิบัติการของปัญญานี่พอจะเข้าใจนะเอาละแต่นี้ก็คือว่า สรุปตรงนี้ก็คือจิตที่ถูกการมราคาครอบงำเปรียบเสมือนภาชนะใส่น้ำเอาสีข้างสีขมิ้นสีเขียวสีแดงบ้างมาผสมปนกันไว้คนตาดีมองหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมเห็นหั้ยถ้าจิตมัวหมองนะขุนมัวเนี่ยไม่สามารถจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตที่ถูกพยาบาทกระทบนั้นกระทบนี้ครอบงำเหมือนภาชนะใส่น้าเอาไปตั้งไว้บนเตา น้ำเดือดไหมน้ำก็เดือดพลานคนตาดีมองดูเงาหน้าของตนเองในภาชนะน้ําก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงจิตที่ถูกถีน้ํามิทะครอบงำซึมซเศร้าเหงาหงอยเหมือนภาชนะใส่น้ําที่มีสันหลายมีจอกแหนเต็มไปหมดเลยนั่งจะไปมองเงาหน้าตนเองในภาชนะน้ํานั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงจิตที่ถูกอุเทจากุ ก, ากุจาครอบงำฟุ้งซ่านลาคาญใจครอบงำ เหมือนภาชนะใส่น้ำเกาไว้ถูกลมพัดต้องอย่างแงรงก็เพิ่มยูดตลอดเวลาไปมองเงาหน้าตัวเองในภาชนะก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงจิตที่ถูกวิจิิจฉาครอบงำเหมือนภาชนะที่ขุ่นมัวเต็มไปด้วยตมโคลนเอาไปวางไว้ในที่มืดต้องการไปมองเงาหน้าในตัวเองในที่มืดจะเห็นไหมก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริง บ, บ, บุคคลที่ใจไม่มีนิวร์ครอบงา จะรู้ทางออกของนิวรณแล้วก็ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นนี่ไงว่าจิตที่มีกลุ่มนิวรณทั้งหลายครอบงำจึงไม่เหมาะไม่ควรต่อการงาน อ, าอไม่มีปัญหามาเนี่ยมาเลยเล ย, เลยเวลาเป็นนิดเลยเนี่จะตอบปัญหานิดหนึ่งถ้าใช้ลูก น้องที่มีคุณธรรมมากกว่าเช่นเธอรักษาศินแปหรือศินสิบอยู่แต่เรารักษาศีลห้าหรือศินแปดธรรมดาอย่างนี้จะเป็นบาปหรือไมออ่การใช้ลูกน้องให้ไปทำงานเนี่ย ถ้าเราเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องแล้วไปใช้ลูกน้องที่มีศีลมากกว่าไปทำงานเนี่ยเออตรงนี้ดูอย่างนี้นะว่างานในหน้าที่นะงานในหน้าที่ก็ดูอย่างนี้ว่าพระเจ้าชาติศัตรูมีลูกน้องเป็นพระโสดาบัน พระเจ้าชาติศตรูรู้จักพระเจ้าชาติตรูไหมเคยได้ยินชื่อไหมได้ยินใช่ไหมพระเจ้าชาติศตรูเนี่ยท่านเป็นพระเจ้าเป็นดินปกครองแฟนมาคดในบรรดากลุ่มอามาททั้งหลายเนี่ยเช่นหมอชีวกโกมาละพัฒเนี่ยอันนี้เป็นพระโสดาบันเป็นคนที่มีคุณธรรมมากกว่าท่านดูแล้วก็เห็นไหมท่านต้องดูว่า กรณีอย่างการที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายการใช้เนี่ยต้องดูด้วยนะไม่ได้ใช้เขาไปทําชั่วอะไรแต่ใช้เห็นไหมเขาใช้ด้วยจิตที่ปรารถนาดีเอื้อทอนนะใช้กันอยู่ในฐานะว่าใครเป็นเจ้านายใครเป็นลูกน้องแต่ไม่ใช้โดยการกดขี่ข่มเหงถ้าใช้โดยการกดขี่ข่มเหงนะั้นไปอย่างนะเพราะว่าถึงจะเป็นคารวะยังไงรักษาศีลหศีลแปดยังไงศีลสิบยังไ ง, 10, ง, ไงก็อยู่ในเพศ ที่เป็นฆราวาสยกเว้นถ้ายอมไปใช้สมณเณรอย่างนี้ไม่ได้เลยอันนี้เป็นเขาเป็นอุดมภาพเห็นไหมไปใช้อุดมภาพหรือให้สังเกตดูว่าแม้แต่เป็นพระโสดาบันเป็นฆราวาสจะไปใช้สมณเณรซึ่งเป็นบุตชนก็ไม่เหมาะเห็นไหมทั้งทั้งคุณธรรมเนี่ยเขาวัดกันที่ว่าเพศภาวะ แค่ถ้าเปรียบเศนักบวชเนี่ยเป็นอุดมพิเศษแต่โดยหลักการก็คือคนที่มีคุณธรรมมากกว่าก็จะเป็นที่น่าเกรงใจของคนที่มีคุณธรรมต่ํากว่าจะสังเกตได้ว่าพระเจ้าชาติสเตรลในเกรงใจมากเกรงใจหมอชีวโกวามาละพัทเป็นต้นด้เนี่ยเกรงใจมากๆเลยประการต่อมาพระ่าหันในบ้านเช่นบิดาหรือมารดาด่าลูกือ ด่าว่าลูกที่มีคุณธรรมมากกว่าจะเป็นบาปไหมโดยเฉพาะลูกบวชบ่อยๆหรือที่สุดบวชเป็นพระตลอดไปอ๋อถ้าพ่อแม่เนี่ยถ้าลูกบวชก็ไม่ควรไปด่าลูกไม่ได้ด่าไม่ได้ เ, เพราะตนเองอยู่ในขีดเพศเพศที่ต่ํากว่านะไปว่าลูกไม่ได้ไปใช้ลูกก็ไม่ได้ เช่นลูกบวดเป็นพระนี่ใชโลูกเลยให้ทำาน้นหน่อยทำนี้หน่อยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะไม่เหมาะเขาเรียกไปที่อา้าวยกตัวอย่างหน่อยมีพระเถรีท่านหนึ่งเป็นภิกษุณีแต่ก่อนก็เป็นคนรับใช้แต่ต่อมาไปบวชแล้วเป็นบรรลุแล้วทีนี้เจ้านายเก่าเนี่ยไป ก็ไปฟังทมก็เจอเนี่ยภิกษุณีนั่งอยู่ใกล้ๆเธอก็มีห่อไอกระเป๋าไปวางคนมีทรัพย์เหมนนก็มีกระเป๋าพอตอนจะกราบหน่อยก็สั่งให้ภิกษุณีท่านเนี้ยเออที่ท่านเป็นพระอริยนี่แหละหยิบให้ตนเองหน่อยนี่เธอใชยหยิบให้ฉันหน่อยภิกษุณีมียานปัญญาละลึก พิจารณาว่าเอ๊ะถ้าเราไม่หยิบให้นางจะกโกรธเราและจะตกนรกหมกไหมอีกเยอะเลยเพราะตําหนิกโกรธเราแล้วตําหนิพระอริยะเนี่ยแต่ถ้าหยิบให้เธอจะต้องเป็นคนใช้เ็ห้าร้อยชาติเธอก็พิจารณาดูเอ้าอนุเคราะห์อย่าให้เธอต้องสับสับสับสบาลีท่านบอกอยากให้เธอต้องฉิบหายเลยในใบยภูมิเลย ให้วิบัติเพียงแค่เป็นคนรับใช้เขาก็พอแล้วหยิบให้แลวต่อมาเนี่ยท่านผู้นี้เป็นคนใช้เขามาห้าร้อชาติชาติสุดท้ายเธอก็เป็นอุบาสิกาด้วยเป็นคนรับใช้ด้วยหลังค่อมด้วยแล้วเก่งมากชื่อคุดชุดตาอุบาสิกาเนี่ยสามารถแสดงธรรมให้กับเจ้านายพร้อมกับลูกน้องตัวเองได้บรรลุหมดเลย ไปฟังทำอยู่พระเจ้าบรรลุในอิติวุติกาทั้งหมด ส, สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเธอเป็นคนกล่าวบนเลยเก่งมากแต่เป็นคนใช้แต่วราชาติสุดท้ายพอความเก่งความสามารถนี่แหละก็เลยหลุดจากสภาพจากความเป็นคนใช้เลยพอเข้าใจเนาะขณะนั่งจเจริญอาณาปณสติมีอาการคันที่หน้าและมีเสียงดังมารบกวนควรทาอย่างไร หากสนใจแต่ลมหายใจเข้าออกก็จัดเป็นสมถะใช่ไหมคะไม่สนใจการอื่นเออเข า, อางี้ควรทำอย่างไรอย่างนี้ก่อนว่าให้สังเกตสาหรับปฏิบัตินี่เนี่ยอาการที่คันเนี่ยให้วิธีการละลืมตาขึ้นมามันคันไหมปกติเราเป็นคนคันตามตัวคันตามหน้าหรือไม่ ไม่เป็นใช่ไหมหลายคนไม่เป็นหรอกแต่เพราะหลับตาจะเจริญอนานาปนานสติเดี๋ยวคันบ้างคันนี้นี่แหละที่ต้องการจะบอกให้รู้ว่าไอ้นิมิตเหล่านี้แหละมันเป็นนิมิตของกิเลสในใจของตนเองมันเป็นความวุ่นวายในใจของตนเองเนี่ยเกิดขึ้นฉะนั้นไม่ควรไปแก้ที่ผลคือไปเกาแต่ให้แก้ที่เหตุคือเปลี่ยนจิตใหม่นะให้แก้ที่เหตุ คือตอนนั้นน่ะจิตมันมีของเสียจิตมันหงุดหงิดมันก็เลยสร้างเหตุปัจจัยไปใหญ่อากจะคันนั้นบ้างอยากจะเกาตรงนั้นบ้างหงุดหงิดบ้างเสียงบ้างไปทั่วเลยฉะนั้นตอนนั้นปรับอะไรปรับจิตสมาทานวางเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใส่ใจในสิ่งนั้นแต่ใส่ใจที่ลมเท่านั้นพอทําได้ไหม เพราะเรารู้แล้วว่าเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกบางคนเนี่ยยุบยับเต็มตัวไปหมดเลยนะนี่อาการแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกตินี่ให้รู้เถอะว่านี่คืออาการที่บางครั้งมันเกิดจากกิเลสในใจของเรานี่แหละสร้างเรื่องมากมายเหลือเกินอักรีเลสเหล่านี้ถ้าหากว่าแต่ก่อนไม่มาทําไม่มาเจริญอะไรต่างๆจะไม่เกิดเพราอมาเจริญมาทําสิ่งเหล่านี้เกิดเป็นแถวเลย กำลังนั่งไม่สนใจเรื่องอื่นที่กําลังปรากฏอยู่และที่กําลังปฏิบัติในหลักสูตรนี้จัดเป็นสมถะหรือวิปัสนาขอคําอธิบายชัดเจนด้วยอาณาปณะสตินี้เป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสนะนานะอาณาปณะสติเนี่ยเป็นทั้งสมถะและเป็นวิปัสทั้งวิปัสนาที่ประเด็นมันอยู่ว่า ผู้ปฏิบัติทั้งหลายโดยมากจะไปชอบและก็ทำความยินดีกับคำว่าวิปัสนาซะแล้วแล้วไปเข้าใจว่าวิปัสนาเนี่ยโอ้โหเลิศมากถ้าบอกว่ามาคอร์สการอบรมครั้งนี้มาเจริญสมถะเนี่ยจะมีการถูกดูหมิ่นหยยดหยาอม <c oughs> ว่อเนี่ยอุ้ยทาไมคุณเดินทางลัดเออไม่คุณทำไมเดินทางโค้งทางไกลอย่างนั้นเล่า วิปัสสนาเนี่ยง่ายนิดเดียวอามาเคยเจอบางบางบางทีเขาเขียนไว้หรือพูดเนี่ยวิปัสสนาง่ายนิดเดียวเขาว่กงั้นอามาบอกาพูดอย่างนี้จริงๆเขาพูดถูกนะไอตัวง่ายมีอยู่นิดเดียวนอกนั้นยาก <c oughs> มันยากเขาใจยังเล่าวิปัสสนาง่ายนิดเดียวเนี่ยไอตัวง่ายมีอยู่นิดแต่ยากที่สุด คือมันเยอะอตรงนี้แม้เวลากระชับเหลือเกินเนะี่ยปัญหาต่อไม่เสร็จเราไปเข้าใจว่าการเจริญสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยต้องแยกกันเนี่ยเอาเนะี่ยอมนะแยกให้ดูเลยเนะี่ย มักมีองค์แปดยมยอมยอมนับได้ครบไหม 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกปราสมสัมมาวาจาสสัมมากรรมตะ 5. สัมมาชีวะ 6. สัมมาวายมะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิอ้าวแยกเลยนะ ฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยองมารคแปดต้องเกิดไหมต้ององมารคแดต้องไปด้วยกันไหมแยกปฏิบัติได้ไหมแยกหรือต้องไปด้วยกันไหมต้องไปด้วยกันนะอา้าสัมมาวาจาสัมมากรมมตาสัมมาชิวะนี่เป็นศีลสิกขาเป็นอธิศีลสิกขาเป็นศีลสัมมาวายามะ สมาสติสมาสมาธิอันนี้เป็นสมะถะอันนี้เป็นสมะถะหรือเป็นสมาธิอันเดียวกันนะโยมเรียกสมาธิก็ได้เรียกสมถะก็ได้สมาธิทิกับสมาสังกปา น, นี้เป็นปัญญาหรือเป็นวิปัสนาสรุปก็คือศีล ส, สมถะวิปัสนาอยู่ในไหนอยู่ในองค์มรรค8ห้ามแยก คนแยกแปลว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจแปลไม่เข้าใจอย่าแยกถ้าแยกแล้วองมร์มันจะฉุกฉีกออกทันทีเลยนะเช่นถ้าแยกสมถะออกมันออกไปสามเลยนะยมนะสมาว ย, ยมะออกไปด้วยสมาสติออกไปด้วยสมาสมาธิออกไปด้วยมร์เหลือเท่าไหรต่ตอนนี้มร์เหลือเท่าไหร่เอาเอาออกสามเหลือเท่าไหร่แปดออกสามเหลือห้า เอาสีนอออีกสามเหลือเท่าไรเหลือสองเองสมาธิถีกับสมาสังกปะนั่นไงวิปัสนาวิปัสนาเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเข้าใจยังแต่เนี้ยต้องไปด้วยกันไหมไปด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้เวลาเราไปเขียนนี่ขอเชิญร่วมปฏิบัติทำเจริญวิปัสนากรรมฐานแล้วเขียนแค่นี้ไห แต่คำคำนี้แปลว่ากินความหมดแล้วศีลสมถาวิปัสสนานะคำนี้กินความหมดแล้วทะนั้นโยมถามว่าอานาปณนะเนี่ยเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนามาบอกไปตั้งเมื่อวานนี้แล้วไงเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาและอีกอย่างถ้าสมถะไม่เกิดไม่เป็นฐานที่ตั้งวิปัสสนาเกิดต่อไม่ได้ ไม่มีที่จะไม่มีสมถะเป็นฐานเลยแม้แต่จะเป็นการเจริญวิปัสนาล้วนๆที่เรียกว่าสุขาวิปัสสกะก็ยังต้องมีฐานสมถะก็คือฐานกำลังของสมาธิเป็นฐานรองรับอยู่ดีเช่นคนที่จะเจริญวิปัสนาล้วนๆที่เรียกว่าสุขาวิปัสสกะเนี่ยเช่นสุขาวิปัสสกะเขาเจริญอะไรกลุ่มบางท่านเขาก็เจริญ สีลานุสติมาเป็นฐานก็มีจาคานุสติเป็นฐานก็มีเ ล, ลึอดถึงฐานก็มีพุทธานุสติเป็นต้นหรือเจริญจะตุธาตุวัฏฐานเวลาเจริญจะตุธาตุวัฏฐานเนี่ยก็ต้องวิจัยแยกแยะพิจารณาธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมไปที่สุดจริงๆก็คือได้อุปจารละสมาธิ เมื่อได้อุปจารสมาธิไม่ถึงอัปนาแล้วใช้ตัวอุปจารสมาธิเป็นฐานเดินวิปัสสนาญาณต่อไอ้สายอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขขวิปัสสโกจเจริญวิปัสสนาล้วนๆเห็นไหมก็ต้องอาศัยอะไรอาศัยกําลังของอุปจารสมาธินั่นแหละเป็นฐานถ้าไม่มีกําลังของสมาธิเป็นฐานก็ไม่สามารถที่จะน้อมเข้าไปสู่ อย่าลืมอย่างนี้นะว่าถ้ายัางสงบนิวร์ละธรรมไม่ได้ก่อนเริมวิปั ส, สนาไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ดูอย่างนี้ว่าในชั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะียพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้ว่า ถ้าตราบใดคืออย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบอกว่าบอกว่าอุปกิเลตเนี่ยนะถ้าภิกษุปราศจากนิวรณห้านะถ้าภิกษุยังไม่ปราศจากนิวรณห้าแล้วก็ไม่เหมาะแก่การที่บอกว่า สมาดก็ไม่เหมาะแก่การที่จะทาให้จะจะเจริญวิปัสสนาญาณเป็นต้นได้ฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าจิตนั้นจะต้องเป็นจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็ต้องสามารถที่จะข่มนิวรธรรมคือการมชันทะพยาบาทีนมิทะาอุทธักกุกุจาวิจิกิจฉาเป็นต้นได้ถ้าภิกษุไม่ละทำห้ประการก่อน หนึ่งถ้ายังไม่ละกามะชันทะไม่ละพยาบาทไม่ละถีนามิทะไม่ละอุทธิจักุกุจวิจิกิจฉาด้วยอุปจารสมาธิและอั ป, ปนาสมาธิเป็นต้นนะถ้ายังไม่ได้สมาธิสองระดับนี้เนะถ้าภิกษุไม่ละทำหประการนี้เป็นที่เป็นเครื่องปิดกัน้นเป็นนิวรเป็นสิ่งกดทับจิตทำปัญญาให้อ่อนกำลังแล้วจกักรู้จักประโยชน์ตน ก็จะไม่สามารถรู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์บุคคลอื่นไม่รู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็แปลว่าอะไรถ้าเราไม่สามารถละนิวร์ทั้งห้าได้บุคคลเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะรู้จักประโยชน์ตนได้ถามยอมหน่อยว่ายอมที่นั่งอยู่นี่นะถามใครดีอะเอายอมยอมว่าอะไรคือประโยชน์ตน อะไรคือประโยชน์ตนตอบพระหน่อยเถอะอะไรคือประโยชน์ตนเอาไปเปไ็นไรตอบแค่ตรงนั้นได้ยินได้ยิน ไ, ป ไ, ป ไ, ปไ้เวลอะไรคือประโยชน์ตนศีสมาธิปัญญาเป็นประโยชน์ตนไหมเออเนี่ย อินทรีห้าพละ5ทั้งหลายนี่เป็นประโยชน์ตนนะฉะนั้นถ้าหากไม่สามารถล้ะนิวรณ์ทั้ง5ประการได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ชักชัด ป, ประโยชน์ตนเป็นต้นได้พระพุทธเจ้าบอกว่าแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ประโยชน์ของบุคคลอื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและจกักประจกักแจ้งซึ่งญาณทัศน์อันวิเศษที่สามารถทําให้เป็นอริยะซึ่งยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สามัญด้วยปัญญาที่ทุเลาผลไร้กำลังข้อนี้ย่อมไม่ใช่ฐานะจะเป็นไปได้เอาละสิแต่เ น, นี้ย แปลว่าถ้าตราบใดนะบุคคลใดยังไม่สามารถละนิวรณ์ทั้ง5ได้ด้วยอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิบุคคลเหล่านั้นน่ยจะไม่สามารถประจักษ์ชัดถึงประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ชนทั้งสองฝ่ายหรือบุคคลนั้นไม่สามารถจะทําญาณทัศนะให้เกิดได้ญาณทัศนะอย่างอริยะให้เกิดได้เลยสรุปง่ายๆคือถ้าไม่มีอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิไม่สามารถเจริญวิปัสสนาญาณได้จริง นอกจากจะอยู่กับวิปัสสนาญาณปลอมๆได้เนี่พุทธพจน์ว่าอย่างเงี้ยยอมเชื่อพระทธเจ้าไหมพระพเจ้ากล่าวไว้ในอังคุตรนิกายปัญจากานิบาศเล่มที่22ในในพระบาลีดูได้เลยในในฉบับบาลีนะถ้าฉบับไทยก็ไปดูอังคุตระนิกายปัญจาการนิบาศในเรื่องของอุบกิเลสของ จิตห้าประการ น, นะไปดูเถอะแล้วยอมใจชัดเลยโอ้พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าถ้าไม่สามารถได้อุปจารสมาธิอปนาสมาธิแล้วไม่สามารถจะทำยานนณทัศนะอันวิเศษที่เป็นอริยให้เกิดขึ้นได้ก็แปลว่าไม่สามารถจะทำวิปัสสนาปัญญาเกิดต่อได้เลยเพราะจิตไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิมันถูกครอบงาด้วยกลา ม, มาฉันทะ ถูกครอบงำด้วยพยาบาทถูกครอบงำด้วยทีนามิทะถูกครอบงำด้วยอุทธะจักกุกุจะพุ่งสร้างลำคาญใจและถูกครอบงำด้วยวิจิกิกจฉาความลังเลสงสัยเมื่อจิตมันป่วยอยู่อย่างนี้ยอมจะไปเจริญวิปัสสนาอย่างไงยอมจะต้องทําจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ก่อนขจัดของเสียจากจิตออกเมื่อจิตมีของเสียออกทิ้งไปแล้วขจัดทิ้งไปแล้วแล้วมาเดินวิปัสสนาญาณเนี่ยมันถึงจะเกิดได้เข้าใจไหม พระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้เลยถ้าเชื่อพุทธเจ้าก็จงทำตามพุทธเจ้าถ้าจะเชื่อครูอาจารย์ก็ทำตามครูอาจารย์ไป <c oughs> ใช่ไหมถ้าจะเชื่อพุทธเจ้าแล้วก็ทำตามพุทธเจ้าใช่ไหมถ้ามามาบอกแบบไม่บอกที่ไปที่มาเนี่ยยอมต้องเอกใจนะนท่านองค์นี้เล่นเอาความรู้สึกส่วนตัวมาพูดหรือเปล่าเนี่ย ถ้ามีเอาความรู้สึกส่วนตัวมาพูดพุทธเจ้าจะจําเป็นไหมพุทธเจ้าก็ไม่จําเป็นดิพุทธเจ้าเป็นอามานี่เป็นสาวกของใครถ้ามาพูดขัดกับพุทธเจ้านี่อามาควรจะเป็นสาวกพุทธเจ้าไหมก็เป็นได้แค่รูปแบบไงฉะนั้นอามาต้องพูดให้ตรงที่พุทธเจ้าพูดใช่ไหมฉะ <c oughs> ั้นตรงนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งนะถ้าอามาพูดผิดเพี้ยนไปจากคำสอนพุทธเจ้าวันนั้นโยมเดินหนี อย่าไปคบกับอาตมาอีกต่อไปนะแสดงว่าอาตมานี่เพี้ยนแล้วเริ่มเพี้ยนแล้วเนี่ยเริ่มจะเดินเคยคนละทางพุทธเจ้าแล้วอยากจะเป็นศาสดาเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยต้องต้องดูที่อาตมาด้วยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งพูดเนี่ยยอมถามหน่อยว่าท่านที่ท่านพูดมาเนี่ยท่านพูดตามพุทธเจ้าหรือพูดตามใจของท่านอาตมาก็จะบอกอ๋อพูดตามพุทธเจ้าเออพุทธเจ้าพูดไว้ที่ไหน อามาจะไปกรธยอมได้ไห้ยอมถามแบบนี้ไม่ได้อามาจะชื่นใจโอ้ดียอมก็ตรวจสอบใครยอรมก็ได้ตรวจสอบว่าอาตมาพูดจริงหรือเปล่าใช่ไหมเมื่ออามาพูดไปอย่างนี้ว่ามีฐานรองรับไว้ชัดเจนยอมไปดูโอ้พระคุณเจ้าจํามาถูกแล้วขอโมโนธนากับพระคุณเจ้าด้วยแล้วยอมก็เชื่อมั่น ในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเพราะเออคืออย่างนี้ยอมให้นึกอย่างนี้ว่าหมอหมอเถื่อนกับหมอที่เขามีเรียนจบมาแล้วก็มีใบประกอบโรคชัดเจนเนี่ยยอมจะเชื่อหมออะไร ยมจะชอบเชื่อหมอเถื่อนหรือวะเข้าใจยัยพิธีเนี้ยนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นคนที่เรียนจากคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็มีความเข้าใจอย่างถูกต้องบางครั้งแม้ขนาดหมอที่มีใบรประกอบโรคศิล์เนี่ยบางครั้งยังเชื่อไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าท่านพวกนี้ไปดัดแปลงเองใช่ไหม เออไปดัดแปลงเองเรายังบางทีมีผิดพลาดกันก็เยอะแยะใช่ไหมใช่เออหลักการเป็นอย่างเงี้ยอยู่งั้นตรงนี้ก็คือว่าการที่จะทําปัญญาที่ทุ่ลพลไร้กําลังนั้นเนี่ยให้เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นไม่ใช่ฐานนะแล้วตอนนี้ในจิตของเราเนี่ย มีของเสียเต็มไปหมดเนี่ยแล้วจะไปเดินวิปัสสนาอย่างไงจะไปเดินยังไงเนี่ยงั้นถ้าจิตมีของเสียต้องฟอกจิตก่อนไหมด้วยสมาธิก่อนงั้นใช้กำลังของสมาธินี่ฟอกจนของเสียออกไปเพราะของเสียออกมาแล้วจิตตั้งมั่นเพราะจิตตั้งมั่นถึงจะน้อมจิตไปเพื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงทั้งนี้ได้แต่ถ้าอยู่ๆไปปฏิเสธสมาธิก็แปลว่าอะไรปฏิเสธองค์มรรค ปฏิเสธไปสามข้อเลยนะหนึ่งปฏิเสธสมาธิสองปฏิเสธสติสมปฏิเสธความเพียรสัมมาวายามาสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นสมถะถ้าไปดึงออกก็กระจบเลยกลายเป็นมรคไม่ครบแปดกลายเป็นมรคไม่ดีลเลยรแต่นี้มรคไม่ดีเอาแล้วนี่สมควรแก่วเวลาแล้ว จริงๆอ่ะมาจะตอบปัญหาคงาไว้ตอนบ่ายคืออย่างงี้นะจริงๆวันนี้อ่ะมาจะพูดชั่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตอบปัญหาแล้วก็พาปฏิบัติแต่สถานการณ์ลากยาวมันตอบปัญหาไม่จบ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาไว้ตอนบ่ายเนาะดีไหมเออตอนตอนเช้าเวลานั่งกรรมาฐานกันนานๆเราชอบไหมชอบไม่ชอบไม่ชอบเลยเลยนี่ทําไมล่ะ น่งได้ไม่ค่อยดีเออไปอยู่ทุกียาบวแล้วดูลมไม่ใจตลอดไหมฝึกดูตลอดเลยไหมฝึกพยายามนะถ้าหลุดก็ตั้งใจใหม่หลุดก็ตั้งใจใหม่นะเพียรพยายามเดี๋ยวที่สุดจะประสบความสาเร็จได้ยมก็ถามเหมือนกันวมื่อไรจะสอบอารมณ์มามาเดี๋ยวเด็คอดูสถานการณ์ก่อนดูจากพวกเรานิ่งได้ขนาดไหนก่อนนะดูอยากจะเห็นจริงๆเนี่ยก็อยากจะพยายาม เวลาของเรามันจำกัดอามาอยากเป็นการคุยเป็นการโดยเฉพาะพอสมควรเลยที่จะให้หลักการวิธีการได้ค่อนข้างชัดขึ้นแต่ก็พยายามอยากจะให้พวกเราได้ประโยชน์ที่สุดพยายามบอกข้อมูลบอกเหตุผลบอกเรื่องราวต่างๆเราเนี้ยก็คือประโยชน์ให้พวกเราได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเมื่อเก็บประโยชน์ตรงนี้แล้วเอาไปฝึกเต็มที่เลยนะฝึกให้เต็มที่เลยมีอะไรไหมอา้าวกราบท่ากันเลย